بسم ا ل ل ه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة ل ل م ت ق ي ن ولعدوان ا إلا للظالمين وصلي و ص ل و على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ه ن ي بسيط نوعاً. ونسيفة. อันนี้ตอนรกใครฟังเรื่องพระคักภ์นะครับสูบัญกาตอธิบายกุรานซึ่งเป็นการเรียนรู้ความหมายคุรานที่ใช้เวลาเกือบ20ปีมาแล้วได้ทำอย่างต่อเนื่องแล้วที่น้องๆไทยมาร่วม ฟังการอธิบายอุตรานในค่าคืนนี้ขอต่อพะสุภานุศาลาจะได้เป็นครั้งสุดท้ายที่มีการเรียนรู้กุตรานเป็นระบบขอให้น้องไข่ในได้นำการเรียนรู้กุต่านในค่าคืนนี้เป็นยิ่งอย่างในชีวิต คือการสร้างความเข้าใจกับอัลกุรอานอย่างเป็นระบบที่จรงแลวมไม่มีศาสตร์วิชาการและความรู้ที่ควรผูกพันกับมนุษย์ตลอดชีวิตมากับอัลกุรอานเพราะอายุขัยของอัลกุรอานไม่ได้มีประโยชน์ เพื่อใช้ใช้นี่คืออ่านอ่านหรือฟังหรืศรรอศึกษาเฉพาะโลกนี้กุรานนี้เรายังจะใช้อีกนานแสนนานนานนี้ก็หมายถึงเงินกียร์มัดเลยจนเข้าสวรรค์ก็ยังมีคุรานมีอะไรสุขียนนะครับว่า ที่เรารู้กันส่วนมากนี่ว่าเข้าสวรรค์นี่ความสุขที่ดีเยี่ยมที่สุดในสวรรค์นี่คือการเห็นพระพักของอโมะซึ่งรองจากนั้นการเห็นพระพักของอโมะนี่อ น, นี้ที่สุดยอดแล้วเพราะท่านเบีมูซาในโลกนี้เนี่ยได้ยินเสียงการสนทนาระหว่างท่านกับพระมัสสุภานะจ๊ะ พอคุยกับอัลลอฮ์แล้วอะนะสิ่งที่มันสูงกว่าการได้ยินเสียงอัลลอฮ์นี่คือเห็นอัลลอฮ์บิบูซาจึงขอบิณีอังสุลขอข อ, ขอเห็นพระพักตร์ท่านหน่อยขอเห็นตัวพระองค์ท่านหน่แสดงว่าการเห็นอัลลอฮ์นี่คือสูงสุดร้องมานี่คือได้ยินเสียงแล้วในคุตานนี้ผู้สตาก็จะเห็นอนะัลลอฮ์ นี่ตามได้ลอสุนิแล้วจะได้ยินเสียงอัลลอ์ด้วยแต่ที่พิเศษนะนอกจากว่าเราจะคุยกับอัลลอฮ์ในวันเกียร์มาในตอนเห็นแล้ก็จะคุยกับอัลลอฮ์ด้วยแต่ที่พิเศษนี่นะมีห ادي ศร้ายหัวอัลลอฮ์ س ب <ؤ> า ا <ال> ن <س> ه <ؤ> และ تعالى จะอ่านกุรานให้ชาวสวรรค์เนี่ยได้ฟังพรคและที่ฮ ا ี ي ได้จาะจงไว้เนี่ยพระองค์จะอ่านสุรษะอัรมาน เรงจิตนาการนี้ว่าเราคำหลังฟังสุดอัลัอดฺม์เสียงของเราเองนะฉะนั้นการผูกพันกับอัานคุรานเนี่ยมันไม่มีมีประโยชน์ชั่วคราวโอ้เวลาฉันเครียดหน่อยเวลาเวลาเศร้าหน่อยเวลามีคนตายเวลาวีบัแบบนี้ก็อ่านสักนิดนึง เอาอเ อ, เอหน่อยเอาเอาซักหมยเยนึ่งคนที่หยิบอัลกุรอานมาใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาชั่วขราวในชีวิตเนี่ยดีนะแต่มันอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งจะถูกมองว่าเขาไม่เห็นเกียรติอัลกุรอานหรือความสำคัญอัลกุรอานเนี่ยที่จะช่วยชีวิต ทุกเรื่องทุกปัญหาเหมือนที่ยกตัวอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่เราบอกว่าโลกมุสลิมทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครไม่เคารพคุรานเคารพคุรานกันทั้งนั้นนะขอมีใครจะมาเผากุรานโอ้ลงมุสลิมนี่ออกมาประท้วงกันประนามกันแต่สิ่งที่หน้าประนามมากกว่าการเผากุรานเนี่ยการที่เอากุรานมาหนีกุรานะ เอากุรานมานี่ยแต่ไม่ใช่กุรานมองบนหินทั Free ้งเนี่ยรัฐบาลไม่มีกุรานธนาคารไม่มีกุรานบริษัทประกันภัยไม่มีกุรานถ้าไม่กิจการของมนุษย์อันนี้ผมพูดถึงโลกมุสลิมนะหรือพื้นที่ที่มุสลิมบริหารจัดการได้มีกุรานแต่ไม่ไดถูกใช้ ยิ่งกว่านั้นถ้ามุสลิมมีคุรานในใจมีคุรานในสมองแต่ไม่เคยใช้เรื่องนี้แน่พิจารณามากกว่าพิจารณาในเชิงคุณสมบัติของความเป็นมุสลิมว่าใช่จะเป็นมุสลิมที่อ่านกุรานท่องจำยาซีนได้แม่นเลยเขามีงานกินบุญนี่ก็อ้อ่านคล่องมากเลย สามกุนสี่กุนนี่ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เคยพร่องอ่านได้ยังดีแต่กูอ่านไม่ได้มีแค่สามกุนไม่ได้มีแค่ยาซีนกูอ่านมีหัวสิบสี่ส่วมีหกพันกว่าอายะหกพันกว่าบทแต่แปลเป็นภาษากฎหมายนี่มีหกพันกว่ามาตรา เป็นกฎหมายที่บังคับใช้ต้องมีอิทธิพลในชีวิตการที่ปฏิเสธเพียงอายะเดียวในกุรอตานนี่กยกับปฏิเสธคูรนตั้งเล่มเลยคูร์ต้ไม่ใช่กฎหมายมนุษย์น่ะมาตรานี้มาตรานี้ว่าไม่กฎหมายอันี้ชอบแต่เอไม่ชอบกฎหมายมนุษย์มนุษย์เนี่ยเลือกปฏิบัติได้ แต่กฎหมายของพระเจ้านี่ต้องต้องยอมรับหมดเลยยิ่งกว่านั้นการที่เราได้เรียนรู้กุรตาเนย่งเป็นระบบมันจะมีผลต่อการสร้างผู้ศรัทธาที่มีความสมบูรณ์คนที่เป็นมุสมินเป็นผู้ศรัทธานี่ าเรานี่ยสันส้นๆนี่ า, ายใครเอามสาาอุสถานันใครคนดีสัานะอัลลอฮ์ใช่ไหมผู้สัานสัานอัลล์สัานในรสูลอัลลอฮ์คนนี้สัานในรัูลเนี่ยต้องต้องรู้อะไรบ้างศึกษาอะไรบ้างหลือเชียนะครับว่าเดี๋ยวนีุ้สนลิมเนี่ยมี อ, อมรับโดยปริยาย ยอมรับโดยปริยายมุสลิมก็คือคนที่เป็นมุสลิมโดยกำเนิดพอละเป็นมุสลิมพอคนที่เกิดมาเป็นมุสลิมเนี่พอไปทำบัตรประชาชนพ่อแม่แจ้งก็เป็นมุสลิมเขาก็เป็นมุสลิมละแต่คนที่เดินไม่ได้เป็นมุสลิมก็ต้องมีใบรับอิสลามเอาไปยื่ยนให้ทางการจะได้บรรจุ ในช่องศาสนานี้ว่าเป็นมุสลิมแต่โดยหลักการเนี่ยเราทซ่บกันดีแค่นี้เนี่ยมันไม่พอหรอกที่จะยืนยันกับพระเจ้าของเราเนี่ยว่าเราเป็นมุสลิมหรือเป็นผู้ศรัทธาไม่พอแต่ไม่พอเราพอเสียชีวิตแล้วลงไปในกุบโบแล้วในหลุมศพแล้วเนี่ยมาลาไกา้ามาสอบสวนแล้วมาถามแล้วเราสั่งเสียไแล้วเนี่ยอย่าพี่น้องอย่าลินนะเอาบัตรประชาชนมาฝังกัันด้วยนะ พอทำอะไรก็มาถามนี่ก็ได้นักประชาชันีันี่อ่านภาษาไทยเป็นไหมมาอะไรก็มันแตเป็นแบบนี้เนี่ไม่ไม่ยากมันทีเราต้องหาคําตอบว่าเราเป็นมุสลิมเราไม่รู้สิหาคําตอบนิดทั้งชีวิตเนี่ยมีชีวิตอายุขเท่าไหร่เนี่ยหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยมาอินโดนีเซียได้บอกว่า อย่าพูดพูดคําพูดนี้อายุของท่านมี60กว่าแล้วท่านเสียชีวิตอายุเจ็สิบกว่าแต่ที่พูดคํานี้ประมาณอายุประมาณ60สบกว่าท่านบอกว่าสาสิบปีเนี่ยเมื่อสาสปีเนี่ยข้าพเจ้ากําลังฟื้นฟูฟื้นฟูอิสลามของข้าพเจ้า อุดัดทีดูอิสลามิพยายามที่จะให้อิสยามของข้าพเจ้าเนี่ยฟื้นฟูให้ใหม่ให้ให้สมบูรณ์ที่สุดท่านระดับระดับปรมจารย์ระดับไหนแล้วแสดงว่าตอนที่ท่านอายุสามสิบเนี่ยตอนวัยหนุ่มนะท่านยังคงคิดว่าความรู้เพราะอิหม่าอยู่ในเนียนี่ถูกสถาปนาเป็นผู้รู้เนี่ตั้งแต่อายุสิบสี่แล้ว แสดงว่าถึงอายุส0ิบนี่ท่านเป็นระดับอุลมาเนี่ยมาส5บห้าปีแล้วนะแต่ก็ยังความรู้ไม่แน่นถึงขนาดที่จะรู้เกันแท้ของอิสลามแล้วก็อีมานจนกว่าอายุส0สิปีแล้วเนี่ยถึงเริ่มงอมละรู้แล้วไอ้ที่ฉันเรียนรู้มาแล้วเนี่ยถ้าไม่สำรวจไม่ตรวจสอบตัวเองนะนะมันก็มีมีถอยอยางเดียว เอ ย, ย่างเดียวฟืนฟูอิสลามฟืนฟูอีมานในตัวมุสลิมทุกคนมีนะมันไม่มีอะไรที่จะเป็นพลังงานสำหรับอีมานดีกว่าสิ่งทีีอัล่าสุภาเนวจาลาใช้ให้เราต่อเติมตลอดเพราะผู้ที่สร้างมนุษย์เนี่ยคือพระเจ้า เราไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากกว่าจะได้มีชีวิตจะได้สุขภาพแข็งแรต้องกินต้องกินอาหารดีต้องบำรุงแต่การที่จะรู้ว่าอิมันของเราจะเพิ่มพูนยังไงเนี่ยต้องเพิ่มพูนด้วยการเรียนรู้ในปฏิบัติในะอิมัลนี้มันไม่ได้เป็นสถานะภาพที่มนุษย์สามารถก่อตั้งด้วยตัวเองแล้วก็วางระบบ ด้วยตัวเองเพราะอิมานนี่มันเป็นเรื่องที่มาจากอมตะและอิมานนี่มันเป็นสถานะของดวงวิญญาณจิตวิญญาณไม่ใช่สถานะของศรีระ่างกายไม่ใช่อวัยวะเรามีกล้ามอยากจะบำรุงกล้ามนี่ก็ออกกําลังกายนี่พอคิดได้นะเราอยากจะบำรุงหัวใจนี่ก็ทานอาหารออกกําลังกายแบบหนึ่งทําให้บำรุงหัวใจบำรุงตับนี่ก็กินอาหารชนิดหนึ่งบำรุงตับบำรุงไตก็อาหารชนิดหนึ่งตรวดอาหารชนิดหนึ่ง แต่บํารุงอิมานล่ะเคยมีคณะแพทย์ที่ไหนว่าอวิชาบํารุงอิมานดูมาสอนเลยไม่มีเราได้พบวิชาการและรายละเอียดของการบํารุงความศรัทธานในคุตัานและข้อพิสงทน์นบีเท่านั้นเท่านั้นเลยฉะนั้นการผูกพันกับกุตอ้น London Hadis นะว่าง a d i s นี่ก็เป็นส่วนหกึ่งองน การผูกพันกับอัลกุรอานจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทําให้ความศรัทธาของเราความเป็นมุ่งมินของเราเนี่สมบูรณ์และถ้าเป็นมุ่มินแล้วนี่นะเป็นมุ่งมินที่สมบูรณ์แล้วนี่นี่คือการรอดรอดของเราศึกษาอัลกุรอานอยู่ใกลชิดกับอัลกุรอานอ่านกุรอาน คนเป็นเงืนไขสําคัญที่จะทําให้พวกเรานี่รู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นและคนที่รู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นในโลกนี้นี่ก็จะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากขึ้นเช่นที่คนที่รู้จักนบีมากขึ้นรู้จักนบีสมิทสนุนด้วยความด้วยความรู้ที่ได้มาจากซุนเนาะของท่านนบีก็จะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกท่านนบีมากที่สุดในวันเกิดมาเช่นเดียวกันและท่านนบีได้ وَأَنْقُدْكَ ت ِ ك َ ا و ِ ي َ ت ร ي ن َ يُحْشَرُ الْمَرْءُ مَا مَنْ أَحَبَّ كُنْ رَوَانِكِ مَا تَتُوْكُ سُمْنُمْ سُمْنُمْ يُوْرُوْمْ ي َ ن ْ ي ُ و ْ ر ُ و ْ م َ ن ْ ي ُ و ْ ر َ ي ْ ر ُ و َْ ي ْ ن ْ و ْ و َ ن ْ ر م َُْْ و ُْْ ي ر و ْ ر َْ ي ْ و ْ ر َْ ي ْ ر เป็นความหวังท e <si nah э ี่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ศรัทธาที่จะไปอยู่กับท่านนบีในสวรรค์การกอะทำน้ล่ะเช่นเดียวกันนบีขออายุหกสิบสามปีแล้วเนี่ยนบีได้รับข้อเสนจากอัลลอฮ์ให้ให้ยืชีวิตให้อยู่ต่อไปนะอยู่อยู่ให้มีชีวิตตาม ความประสงค์ของขันฑบินอยู่ยาวนานเลยหรือจะอาจจะจะจะตายตอนนี้อีถ้าเป็นเรา่เนี่ยถูกเรื่องอะคนที่นอนติดเตียงนี่เนี่ยที่นอนติดเตียงแล้วก็หมอบอกว่าเตรียมตัวแล้วนะลุงซื้อกระถานยัง แล้วก็อยู่ดีมีมาอะไรก็บอกว่าอยู่ยูต่อมาอีกสักสักสามกร้อยสี่ร้อปีนะคิดว่าเราจะตอบอยังไงอยู่อยู่ต่อถ้าอยู่ต่อนี้เพราะคนที่คนที่ไม่มีเป้าหมายในดุนญานี่มักจะตอบแบบนี้สําหรับท่านนะบีนี่มีเป้าหมายแล้วท่านสำเร็จแล้วดาวว่าแล้วคนรับอิสลามแล้วท่านนะบีสอนลูกศิษย์ ซาฮาบะที่จะเดินหน้าต่อในการดาว่าแล้งนบีก็เลยเลือกไปอยู่กับอัลลอฮ์ดีกว่าเบลรฟีุ่ลอาลาอยู่กับสหายที่อยู่เบื้องบนสหายรฟีกสหายที่อยู่เบื้องบนฮาดีษนี้มีนอยู่ในหนังสืออัฟบาตนบีเนี่ยมีเล่าเรื่องวัฟบาตของท่านนบีใช่ไหมว่าจิบริมานเนาะกับท่านนบีว่าเนี่ะเอายังไงจะให้ อยู่ต่อไปหรือจะตายตอนนี้แล้วเนี่ยจะไปพบอัลลอฮนบีก็เลยว่าบลิรฟี่กุลอาลาที่ข้าพเจ้าต้องการนี่ก็คือไปอยู่กับสหายเบื้องบนมีพี่น้องได้รับหนังสือเล่มนี้แล้วก็รีบอ่านเลยอ่านนึกอ่านนกก็น่าจะจบแล้วเนี่เพราะนี้มันอยู่ช่วงท้ายของหนังสือ ไลยมาถามเลยสหายที่อยู่เบื้องบนนี่คือใครสหายที่อยู่เบื้องบนนี่คือใครบางทีนี่ก็ทัางแอบแปลกใจว่าทำไมถึงคนยังไม่ยังไม่เข้าใจยังไม่ รู้ว่าอัลลอฮ์สุบฮานาอัอยู่เบื้องบนและบางทีก็เห็นใจโอ้ยเนี่ยผมจะว่ามีวิชาการที่ถูกเผยแพร่แพร่หลายเนี่อ่ะเราอยู่ทุกที่แหละก็จะต้องทำให้คนอาจจะอาจจะมีโอกาสสับสดสหายอยู่เบื้องบนใครอ่ะรอัลอฟิุลอาลาสหายที่อยู่เบื้องบนนี่คืออัลลอฮฺนั่นแหละ แลวนะท่า น, นาบีเสียชีวิตแล้วจะไปอยู่กันหรตลอดเวลาหรือว่าท่านนะบีก็อยู่ที่หลุมศพที่ท่านนะบีถูกฝังที่มาดีนั่นแหละแต่ความใกล้ชิดของมนุษย์หลังจากที่เสียชีวิตแล้วหลังจากตายไปแล้วเนี่ยความใกล้ชิดกับองล์พระสุภาราชวิญญาณาจจะประจักษ์มากกว่าตอนมีชีวิต เพราะฉะนั้นท่านอีบดุลเลาะะท่านอัลลอมบอกว่าดวงวิญญาณของผู้ศรัทธาบางคนและบรรดาชีวิตที่เสียชีวิตในสมรภูมิในหนทางอัลลอฮ์เนี่ยจะอยู่ในท้องนกสีเขียวในสวนสวรรค์อันนี้เฉพาะบางคนอุลามานี่บอก็เฉพาะบางคนที่มีอภิสิทธิ์ที่จะอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอ์ในสวนสวรรค์ หลังจากที่ตายแล้วหมายถึงว่าดวงวิญญาณของเขาจะไม่อยู่ในกุโบจะไม่อยู่ในหนุงศพซึ่งมนุษย์ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยในะมนุษย์ทั้งหมดเลยนี่เป็นเป็นกฎทั่วไปว่าตายแล้วนี่แนมะดวงวิญญาณจะไปอยู่กับร่างกายในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดเพราะอาร์เบาร์ซักเนี่ยโลกแห่งความตายนี่มันจะมีหลัก กฎฟิสิกที่ไม่เหมือนโลกตอนมีชีวิตจะถูกเผาศพจะถูกเผาจะทิ้งทะเลปากินไปหมดจะสลายไปในดินจนไม่เหลือแล้ววิญญาณจะไปอยู่กับร่างกายยางไงเนี่ยในรูปแบบนี้เราไม่เราไม่รู้แต่กฎทั่วไปนี่ว่าตายแล้วนะดวงวิญญาณก็จะอยู่กับร่างของมนุษย์ในโลกนี้ยกเว้น บางคนที่เอาล็อจะอนุญาตให้วิญญาณของเขาเี่ไม่อยู่ในโลกนี้นะไปอยู่ในส่วนสวรรค์อยู่ในท้องโลกส่วนสวรรค์นกบินไปไหนนี่ก็เห็นแต่ความผาสุกในส่วนสวรรค์เป็นความใกล้ชิดที่เราสุภาพนา ว, วดาเราก็โปรดประทานให้ผู้ศรัทธาเมื่อเสียชีวิตแล้วแม้กจะต้องคนที่ดวงวิญญาณเขาจะไม่อยู่ในสวรรค์นะจะอยู่ในกูบโบ น, นะ แต่ผู้ศรัทธาที่เป็นชาวสวรรค์นี่ตายแล้วเนี่ยอะไรกะหลังจากสอบสวนเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วผ่านสัมภาษณ์แล้วข้อสอบแล้วประตูแห่งกุโบนี่ก็จะถูกเปิดถูกเปิดสุดสายตาหม้ยถึงว่ให้มองได้ถึงสุดสายตาตายสายตาสุดสายตาของเขาหนี่ก็คือตําแหน่งของเขา้าที่ของเข้าในส่วนสวรรค์ นี่คือสุดยอดหลักฐานที่จะทําให้เขาอบอุ่นในหลุมศพว่าเขาเนี่เป็นชาวสวรรค์นี่ไม่ต้องกังวลอนนบีจึงบอกว่าผู้ศรัทธาที่เป็นชาวสวรรค์นี่ยนะพอได้เห็นแล้วเนี่ยตำแหน่งของเขาในสวนสวรรค์เนี่ยเขาจะขอรูอ้อ้าวต่อ oh, อัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ขออวันเกยมยร์มากนแต่ตอนนี้เลยรีบไงรีบแต่ยังนี่ผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ควรรีบ เพมบีบอกว่าเวลาของผู้ศรัทธาที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยหลังจากที่ฝังไปแล้วนะช่วงฝังจนถึงวันเกียรมาก น, นี่นะมันเส ม, มือนความรู้สึก ข, ของช่วงเวลาของคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกเนี้ยระหว่างอัศรีกับมกริบอัสรีกับมกริรกบรเล่นบอลไปสักแม็กหนึ่งนะที่วัยรุน่นเขาชอบทําไมเล่นชอบทําไมชอบเล่นบอลระหว่าง อัศรีกับมกริบอะอมันไม่ร้อนมันกำลังดีแป๊บนึงก็เสร็จละละอามารกริบเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ทําให้เขานี่เศร้าที่สุดพอได้ยินเสียงมกริบเศร้าเหลือเกินจริงปะจริงปะอีว่าเคยเจอเมื่อไหรเนี่ยพอได้ยินเสียงอาจารม์กริบแล้วก็เสียใจเสียใจเพราะจะเลิกเล่นบอลละ ผู้สัทธานี่ระวงตายจนถึงวันเกียมากนี่นั่นมันแบไม่รู้สึกอะไรเลยมันตันป้นเดียวกว่าจะได้ถึงตำแหน่งนี้ตำแหน่งเป็นผู้ศรัทธาที่มันม่นใจว่ามั่นใจว่าจะจะเป็นชาวสวรรค์จะเป็นคนที่ได้รับเกียรติในในหลุมศพและในวันเกียมานี้ มันมีภารกิจเล็กน้ยในโลกดุนยานี้เธอทาได้แล้วนี่นะครับภารกิจในหนุ่มศพในกุมโบจนถึงงวนเกียมานี่มันจะรับรึน ม, มากภารกิจสําคัญนะ่ะในโลกดุนยานี้นี่ยคือการที่เราได้ได้มีอะไรมาการันตีชีวิตของเราหลังหลังความตายเนี่ยการันตีว่าเราเป็นพักพว้ของอโมมีเส้นสาย เอ่กฎเดียวของโลกนี่แหละไปทําเนียบแล้วมีนามบัตรของนายกนะโอ้จอดรถที่ไหนหน้าประตูเลยนะอินนาบัตรนายกนะพอเข้าไปแล้วเนี่ยรักษาความมั่นคงนี่พอเห็นนามบัตรของเนี่ยชชั้นเลขาเห็นนหรือไมแต่ถ้าไม่มีนาบัตรเนี่ย หรืวลองมาพรุ่งนี้เนี่ยหรอลงมาปีหน้าดิมาแล้วใช่ไหมเราอยากมีเส้นสายวันเก ม, มาเนี่ยจะได้ไม่ต้องยุญญ่งยากเดี๋ยวมาเลายก์ก็จะสัมภาษณ์เราก็ถามกันว่าวแล้วกูจะรอดไหมเนี่ยกูเป็นชาวสวรรค์ไว้เนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอหน่อยร อ, อยมาเลาย์รอทําไมเก็ไม่มีเส้นสายเนี่ยมาเลาย์กาไม่ได้เห็นเรามีลูกไม่ได้เห็นเรามีผลงานอะไรเลยในโลกนี้เนี่ย จะได้ยืนยนเลว่าเราเป็นพักพวกของอัลเาะแต่เราได้บอกแล้วเนี่ยท่านมาโซนนได้บอกแล้วเนี่ย أ ห ل القرآن ชาวอุลกลุนนี้ก็คือพวกของอัลลอ์่นิดเดียวง่นิดเดียวแล้วเราจะเป็นชาวกุลอลนยังไงเราจะเป็น พาพัวของคุรานยังไมันก็ต้องสร้างกติกาในชีวิตของเราให้กุรานเนี่ยมีตําแหน่งสูงสุดในหัวใจในชีวิตของเราแค่นิดเดียวสัญญาใจว่ากับตัวเองนี่คุรานนี่สําคัญกว่าเกม ถ้าคำตอบว่าไม่เกมนี่สําคัญกว่าแล้วใครู้ยังไงอ่ะก็บอกฉันเล่ น, เ ล, นเล่นเกมมากกว่ามากกว่าอ่านคุร์อานนี่มันชัดมันมาตรฐานไม่ต้องไม่ต้องเถียงหรอกแต่บกว่าโอ้กุร์อานนี่สําคัญกว่าแต่กุร์อานนี่อ่านอาทิตย์ละครัง้งแต่เกมเนี่เล่นทุกวันวันละสามชั่วโมงนี่จะไปบอกใครว่าฉันเป็นชาวกุร์อานนี่มีใครเชื่อหรอกยิ่งอย่าไปบอกอย่าพูดอย่างนี้แบบอะไรก้าวโดนตบหน้าเลยนะั่น อ๋อน oh, <one> <c ups> <c ups moi> <diabetic> ี่อ่านนี่ผมเช่าอ่านนี่มาเลก้ามีบันทึกหมดเลยแต่เราอาจจะเป็นชาวโลกนี่พอที่จะหลอกได้เราเป็นชาวกอ่านมีอ่านอานสักนิดแต่เล่นเกมอ่านสําคัญกว่าหรือเกมอ่าตอบกอ่านสําคัญกว่าหรือบอลอ้าวตอบอ่านสําคัญกว่าหรือละครหรือเพื่อภาพยนตร์อ่านสําคัญกว่าหรือเงินสตัง ุรนสำคัญกว่าหรือภรรยาหรือสามีหรือลูกหรือพ่อแม่ใครสำคัญกว่าและทุกอย่างนี้เราก็เอามาเปรียบเทียบได้รู้เร่องสมมตินะครับเราเป็นคนที่เก่งเรื่องอะไรเดียะ เราเกินเรื่องเรื่องท่องเที่ยวเที่ยวทะเลไหนดีที่ทสุด น, น, นั้นหาดนู้เลยครับบา้านใครผมเคยไปมาแล้วแล้วก็จะเดินป่าที่นนหน้านู้นเลยครับผมไปมาแล้วสวยที่สุดอาจจะเที่ยวเรื่องนี้ไปนู้นเลยม้นโอ้รู้ดีนะ รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพของตัวเองเนี่ยเป็นไกลเนี่ยรู้ดีมากเลยไม่ผิดไม่ผิดแต่มันจะผิดมากเลยอ่ะทารู้ดีมากเลยกับเรื่องอาชีพแบบเนี้ยถามว่าถามเรื่องุณอ่านนี่ยสุรัตอัลซูมาร์ี่เครอ่านไหมมีรู้นะอัลซูมารีมีในคุณอานสุรัอยู่ในเบบด์บางที่เคยเรียนมาเนี่ก็คือสี่คุณจบ سيكون قل والله قل أ و ذ ب ربنا قل أ و ذ ب رب الناس قل يا أيها الكافرون قل ون ون ي ع ن ش و ي ت ون يعني فردو ك س ي ك و ن سنة كسيكون لا، ตรง هنا ي ت ي ع ي ا ك و ا أحاديثنا، ي كن เคย بسورة فسند، مي كن شين بسورة ا ل أ ن ق ا ي كن เคย بسيرة بنامم ي ر س و ن بسورة الآراف. ใจตัวเองว่าชาวกุฎอ่านนี้ไงชาวกุฎอ่านนี่ไม่ต้องไปเรียนต่างประเทศต้องชํานาบภาษากับต้องจบคณะอ่ากุฎอ่านนี่ไม่ต้องขนาดนั้นบางคนในกระจกเมืองนอกเมืองนาจบคณะกุฎอ่านนี่แหละแต่สู้ชาวบ้านที่ไม่เรียนนอกๆนั่นแต่เขาคุ้นเคยกับกุฎอ่านมากกว่านักวิชาการที่จบเมืองนอกจบปริญญาตรีปริญญาโทปนิญญาเก ชาวบ้านบางค น, นอ่านกุรอ่านทุกวันวันนล้นไม่รู้กี่รอบจบอาทิตย์หนึ่งเกือบรอบหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งไม่รู้กี่รอบการเรียนรู้กุรอ่านจะมีผลในการปรับทัศนคติความคิดอุดมการแนวทางทุกเดือนทุกเรื่อง น, นะ ด้านการเมืองด้านเศรษฐศาสตร์ด้านการทํำงานทุกเรื่องเลยถ้าเราอยู่ใกล้ชกับคนกุฎาคนกุอานี่จะจะปรับทิศทางแล้วคนที่อยู่ใกล้กับคนกุฎานนี่จะเป็นคนที่สับสนน้อยที่สุดน้อยที่สุดพอเจอปัญหานี่จะมีคําตอบที่มันค่อนข้างค่อนข้างชัดแหะถ้าความรู้เขาน้อยนี่ เขาอาจจะต้องการผู้รู้พอที่จะชี้หน่อยเขาจะได้สบายใจว่าไอ้ที่เขารู้จะกุดอ่านนี่มันใช่แต่คนนี่อยู่ใกล้ชิดกุฎอ่านกุฎอ่านทุกวันเรียนรู้ความหมายกุฎอ่านตลอดตลอดชีวิตนี่นะเขาจะมีคําตอบอเขาจะมีคําตอบไม่ต้องเรียนรู้แบบลึกซึ้งเลยนะอ่านกุฎอ่านทุกวันแล้วก็พยายามอ่านความหมายกุฎอ่านนี่แหละแต่ยิ่ง เรียนรู้ศึกษากุตตาเรียนเป็นระบบเนี่ยยิ่งทําให้เรามีความมั่นใจในทิศทางชีวิตมากขึ้นกุตตานจะเป็นผู้ที่ปรับมาตรฐานชีวิตในด้านมารยาทข้อปฏิบัติต่างๆจึงจะเห็นผลของชาวกุตตานเนี่ยเห็นผลครับคนที่เป็นชาวกุตตานเนี่ย ตอนละมาตอนพูดตอนทำงานตอนเดินทางตอนมีความประพฤติความประพฤติกับพ่อแม่ความประพฤติกับสามีกับภรรยากับลูกๆ ก, กับสังคมกับเพื่อนบ้านชาวคุตลานี่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแตกต่างกันน่นคนที่อ่านคุตลานศึกษาคุตลานตลอดเวลานนินะ มันที ن ن آن. ท ان ب ن, ب ن ่ท่านอิมัถูกถามว่ามารียนนบีมันคืออะไรก็คือกุตตาท่านอิมัยใช่ไหมครับว่าเปลียนเสมือนบีเป็นเป็นคุตตานที่เดินบนผืนแผ่นดินนี่นี่ตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเห็นภาพเลยคุตตานเล่นหนึ่งกับหนงกับหนึงแต่มุสลิมที่มีประโยชน์มากที่สุดเนี่ยปรากฏตัวที่ไหนในชุมชนปรากฏตัวที่โรงเรียนมหาวิทยาลัย งานต่างๆเนี่ยมีคนก็ถามว่าไอ้คุรานนี่มันอะไรนี่แ่ตรงมุขคานแม่นี่นีคนนี้ดูคนนี้ดูคนนี้กุรานก็คือคนนี้ถ้าเราสามารถปรากฏตัวเป็นกุรานเน้นหนึ่งนี่คือสถิติที่มีคุณค่าสําหรับกุรานไม่ใช่การท่องจํากุราน ใช้เวลาในการเข้าโรงเรียนภาฮาวิสในท่องจำกุศอ่านทั้งเล่มผูรู้ท่านหนึ่งบอกมีผู้มี ค, มคนเขาท่องจำกุศอ่านไปแล้วท่องจำกุศอ่านก็ดีแต่ท่องจำกุศอ่านอย่างเดียวมันก็มีค่าเท่ากับพิมพ์กุศอ่านไปอีกเล่มหนึ่งผูรู้เนี่ถูกถามว่านี่มีคนก็ต้องจำกุศอ่านไปเล่มหนึ่ ง, งก็บอกว่าดีเพิ่มเพิ่มกุศอ่านไปอีกเล่มหนึ่ง ลองคิดดูสิถ้าเรามีกุฎอ่านนี่มันสิเนี่ยมีกุฎอ่านสักพันเล่มมันจะเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรได้ไหรล้านเล่มเอากุฎอ่านไปตั้งเลยทุกซอกทุกซอยทุกถนนนี่ตั้งไปเลยนะสักร้อยเล่มสักพันเล่มเปลี่ยนกุฎอ่านไหมแต่ถ้หากว่ากุฎอ่านเนี่ยซึมซับไปอยู่ในชีวิตของพวกเราแต่ละคนเนี่ย และได้แสดงออกซึ่งอุดมการณ์หลักการความศรัทธามารยาทต่างๆของกุรอานเนี่ยนี่นี่คืออิทธิพลกุรอานนี่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ฉังนั้นฮาฟิดกุรอานเนี่ยถ้าชาวซาลับนี่นะชาวซาลับนี่เขาไม่เหไม่เห็นด้วยไม่ค่อยเห็นด้วยที่จะเรียกคนที่ท่องจอํากุรอานจํากุรอานเนี่ย ไม่ค่อยสนิทใจที่จะเรียกเขาว่าฮาฟิสทำไมอะเพราะคําว่าฮาฟิสเนี่ยมาจากคาว่าฮาฟิซฮาฟิซเรียปกป้องรักษาและคนที่ท่องจํากุตานอย่างเดียวจํากุตานอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะปกป้องกุตาได้ไม่สามารถที่จะปกป้องคุตา ุรนถูกฉีกไม่รู้กี่ลมลในแต่ละสถานการณ์ในแต่ละสถานการณ์สถานการณ์ที่มุสลิมถูกคมเหงุรนนบอกว่าอินิสตรุกุมฟิดดีนฟะเลคุมุลนัสรุบถ้พี่น้องขอความช่วยเหลือจากพวกเจ้าพวกเจ้าจงช่วยเหลือเขาลมุสลิม ทางรัฐบาลและประชาชนเนี่ยได้เห็นพี่น้องมุสลิมถูกเข็นฆ่าในม่รูกิรอบแล้วแล้วไม่ช่วยบางคนก็เลือกที่จะไม่ช่วยบางคนจะเลือกบางคนที่มุสลิมที่เอ้างาเป็นมุสลิมเมืนักเลือกที่จะยืนข้างเคียงศัตรูสถานการณ์การเมืองที่จะต้องให้เลือกระหว่างกฎหมายกุตัานกับกฎหมายมนุษย์สมรมติเทวยม รบออะไรคาสิโนเนี่ยการที่เลือกอนุญาตสิ่งที่กุรานห้ามไว้นี่เนะี่ยก็ต้องชีกุรานนะชีคุรานฉะนั้นยังน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเราเห็นเขากำลงังฉีกุรานเนี่ยเราต้องห้ามถ้าเราห้ามไม่ได้นเราต้องไม่ต้องอยู่เลยไม่ต้องปรากฏตัวเลย ถ้าเราห้ามไม่ได้ถ้าเราแสดงความเห็นไม่ได้ถ้าเราประนามไม่ได้นะอย่าได้ปรากฏในพื้นที่ที่เขาฉีกอุดอ่านทําลายกุดอ่านแต่ละสถานการณ์ที่เราจะปกป้องกุดอ่านไม่ได้เนี่ยมันทําให้เราต้องรู้สึกดีว่าอ๋อคนนี้ฮาฟิซฮาฟิสนี้ก็ปกป้องกุดอ่านแล้วไม่ไปกป้องอัลลอฮฺซลนี่จะาและตกลัฮาฟิซอันกุรอานย่าบอกว่าทั้งจำฮาฟิซกุรอาน พราแล้วคุณว่าอัลกุรอานว่ า, ว า, วานี่หมายถว่าโดยรวบรวมกุรอานมาอยู่ม่อยู่ในความทรงจำแค่นั้นเพราะที่จริงแล้วเนี่ยมันก็แค่นั้นจริงๆท่องจำกุรอานเนี่ยในยุคที่มีไวบอดเน่เดเลอรชั่นแะซนี่ไม่รู้ทันปะไวบอดทันนะไวบอดเกิดมันเป็นกระทู้นะกระทู้ อพันธิปันทิเหมือนบันทิทันอยู่ใช่ไหมแต่ปันทิยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่เหมือนปันทิเนี่ยอาจจะเป็นกระทู้นะมันเป็นเว็บบอร์ดของนัก บ, บูชาการด้านฮะดิสผมก็เป็นสมาชิกในเว็บบอร์ดนั้นนะ่ะดีมีคนมาสมัครใหม่สมัครใหม่แล้วก็ตั้งชื่อดาวุฒดาวุฒก็ไม่มีใครสงสัยเลยนะว่า ดาวนี่มุสลิมดาวูดคุยเรื่องฮะดีสโอ้หไอความรู้เรื่องคุรานเรื่องฮะดีสตำราแม้กระทั่งตำราเก่าๆที่มันศูนย์สาบสูนไปหาไม่เจอเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมีอยู่เล่มนี้เนี่ยมันอยู่นั่งอยู่ในห้องสมุดนี่มันนฮะดีสในบันทึกด้วยจนมีวันหนึ่งดาวูดนี่มาเปิดเผยตัวเองหนึ่งเขานี่ไม่ใช่มุสลิม เขาเนยเป็นยูนเป็นนักวิชาการบูรพาคดีคือนักวิชาการไม่สนใจเรื่องแทนตะ ว, วันตกนะแต่ถือศาสนายูเนี่ยแต่เขาสนใจเรื่องความรู้เกี่ยวกับตะ ว, วันออกบูรพาเขาเรียกบูรพาคดีอุสตัชริกเขาบอกว่ท่องจำคุรันทนั้งเล่ม เขาอ่านะดีษุนนนี่นะบุมุสลิมอดุดวนมอมาจออ่านมาเลยแล้วก็ศึกษามาเลวแต่เขาเชื่อวชาในหนังสือมัวเตาะและตอนที่เขาเขียนในเว็บบอร์ดนี่นะเขากำลังศึกษาอยู่ที่ห้องสมุดโบราณที่มหาวิทยาลัยกอร์วาลที่ตุรกีเซียซึ่งที่นั่นน่ะมีหนังสือมัวเตาะในเล่มโบราณโบราณนี่มีมากมายเขากับเดินทางไปทนจะได้ศึกษามัวตะอีกเด ไม่มุสลิมแสดงว่าการท่องจําตัวบทนี่นะคนนี้ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาก็ทําได้ทําไมเขาชอบเขาชอบชอบสำเนวนภาษากับชอบภาษากับคนเรรู้ภาษาเขาทําได้แต่มานี้ไม่ช่วยจํากุฎีนั่งเล่นจำฮะดีสทั้งเล่มไม่ได้ช่วยให้เขาได้ศรัทธามุสลิมก็เหมือนกันท่องจํากุอานอ่านกุรานอย่างเดียวนะมันก็จะไม่ช่วย ให้เราได้เปลีป่ยนแปลงชีวิตของตัวเองอะไรอ่ะอะไรที่จะช่วยละการที่เราได้ซึมซับคุตัานให้มีอิทธิพลในชีวิตอย่างที่ตอบคําถามที่ผมได้ยกตัวอย่างได้นะถามเลยคุตัานสําคัญกว่าหรือเกมคุตัานสําคัญกว่าหรือบอลคุตัานสําคัญกว่านะเนี่ยถามไปเรื่อย เราได้คำตอบชัดเจนกับตัวเองของกุรอ่านสําคัญกว่านะและมันจริงตามที่เราได้อ้างได้พูดนี่นะอันนี้คืออันนี้คือวิถีที่มันการันตีได้ว่าเราเนี่ยเป็นอัล์อุลกุรอ่านเป็นชาวกุรอ่านแะถ้าเราเป็นชาวกุรอ่านก็เป็นอนุลลอฮ์วะคาสตุก็เป็นผักพวกของอัลลอฮ์วะคาสตุเป็นผักพวกคนเฉพาะของอัลลอฮ์ไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดานะ ไม่คนทั่วไปเนะี่ยเป็นคนเฉพาะของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์คัดมถูกคัดเลือกโดยเฉพาะของอัลลอ์นี่นะก็เป็นพรรคพวกเฉพาะของอัลลอ์ด้วยเพราะจะมีพรรคพวกอัลลอฮ์ที่มีผลงานชนิดอื่นเช่นมุจฮิดีนมุจฮิดีนก็เป็นพรรคพวกของอัลลอฮ์แต่แต่ไม่ใช่เฉพาะไง เป็นคนที่อุทิศชีวิตเนี่ยเพื่อศา ส, ะสะนานอันนี้ก็ใช่ใช่คนที่อุทิศทรัพย์สินบริจาคเยอะนี่นก็เป็นผักพกของอัลลอฮ์เหมือนกันแต่ในด้านทรัพย์สินในด้านทรัพย์สินแต่ยะเรียกว่าเป็นคนเฉพาะของอัลลอฮ์นี่ก็คือต้องเป็นคนที่มีความใกล้ชิดกับส่วนที่เกี่ยวกับอัลลอฮ์ะอะไรเกี่ยวกับอัล ล, ลอฮ์การละโุลลอฮ์ผ้ดํารัตวัดนะของอัลลอฮ์ อันนี้เนี่ยเฉพาะจริงๆเลยมุเจฮีดีไม่ใช่แต่เขาได้ปฏิบัติอันนี้ก็ปฏิบัติเขาดํารงชีวิตอุทิศชีวิตเพื่ออัลลอฮ์นี่นี่นั่นปฏิบัติบริจาคเช่นเดียวกันอุทิศทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยนี่นั่ปฏิบัติแต่ถ้าใกล้ชิดการกุรอานนี่นะอันนี้อันนี้เฉพาะเลยเกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์เลยมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยได้สัมผัส กับความสําคัญกับอัลกุรอานเท่ากับตรองทดลองด้วยตัวเองผมจะพูดทั้งคืนเนี่ยมันก็พูดได้แต่อยากจะปิดด้วยตรงนี้จะได้เรียนตัฟซีลเดี๋ยคนที่เขาเรียนประจำดเดี๋ยวเขาดา่าผมเมานะว่าอะไรมาเช็กมาพูดอะไรพูดเรื่องอะไรกับคนเรียนกุนอ่านนี่แหละ ทิ้งท้ายนะครับทิ้งท้ายว่าสิ่งที่จะทำให้พวกเราได้สัมผัสกับความสาคัญคักับอัลกุรอานเนี่ยเพราะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผู้รู้คนหนึ่งคนใดที่เราจะไปเรียนรู้กุรานกับเขา ไม่ใช่มหาวิทยาลัยหรือคณนะคุตัานที่ท่านไปเรียนที่จะประทับตาว่าท่านนเป็นชาวคุตัานกุตั้นนี่ก็เป็นกระทำของ Allah ท่านต้องเสนอหน้าเสนอตัวกับ Allah เสนอตัวกับ Allah ล l l a h ต้องเห็นท่านอ่านกุตัานศึกษากุตัาน ใช้ชีวิตเพื่อกุรอานนําคําสั่งสอนของอัลกุรอานมาปรับปรุงชีวิตเราเราทรงรู้รู้ิรู้ดียิ่งว่าเราได้นำรับอัลกุรอานมาใช้ในชีวิตแบบไหนแค่ไหนขนาดไหนอัลลอฮฺทรงรู้ แล้วก็ข้อแท้จริงนี่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการนี่ก็คือต้องการเป็นชาวกุานเป็นคนเฉพาะของกุอานของอัลลอฮฺนี่นะแน่นอนคําการันตีนี่มันก็จะอยู่กับชีวิตของเราเ น, นี่จนตายแล้ววิถีชีวิตของเรานี่มันก็จะเป็นปริญญาบัตรฉบับหนึ่งชนิดหนึ่ง ที่เราสามารถยืนได้ในวันเกียร์แม่นว่าเราว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ใกล้ชิดกับกุรานของเรานี่ก็ฝากไว้นะครับสําหรับน้องไขวิธีตุลฮักพอกุรานไม่ดีมีเฉพาะวันอังารนะคนอื่นก็มีกุรานเดือนอื่นก็มีที่อื่นก็มีคนสอนกุรานเยอะแยะคุรานมีทุกที่ แต่ที่สําคัญเนี่ยคุรุอ่านต้องอยู่ในหัวใจของพวกเราชีวิตของเราเนี่ยจะเจอบางสถานการณ์เนี่ยหากุรอ่านสักเล่มหนึ่งจะได้อ่านเนี่ยไม่มีตอนนั้นเราจะเสียใจถ้าไม่มีกุรอ่านสักสิบซูระสักยี่สิบซูระอยู่ในหัวใจจําไว้ถ้าท่องจำคุรุนอ่านทั้งเล่มก็ยิ่งยิ่งแสนสุขเลย มีคุตตานอยู่ในหัวใจและยิ่งถ้าเราเป็นเป็นนักทํำอิบานะนี่ยเป็นคนที่ขยันทํำอิบานะละหมาดกลางคืนจะไม่มีอะไรที่มีความสุขมากกว่าการหยิบอิคุตตานมาอ่านกลางคืนละหมาดแย้มุลเลลถ้าเราเป็นนักเผยแพร่伊斯兰จะไม่มีอะไร ที่ทําให้เราสนุกกับการดาว่ากับการทํางานศาสนาแบบกับอิสลามดีกว่าการที่ใช้กุรอ่านในการในการบอกชาวบ้านมีวานะของพระเจ้านี่กำลังบอกกับชาวบ้านนี้นั่นนั่นคือเกียรติยศที่สูงสุดแล้วมาสุริยูนุสนะครับเราได้เรียนรู้สุริยุนุษนี่เคยบอกกับพี่น้องแล้วว่าสุริยูนุสนี่เป็นสุรห์ ที่ถูกประทานลงมาเกิดทั้งสุรห์เลยทีเดียวเลยแเป็นสุร้ห์ที่อัลลอฮฺสุภาเนวะดาละต้องการตอบโต้พวกมุชริกีนที่ปฏิเสธการที่ศสนาของท่านนบีรวมถึงปฏิเสธกุรานฉะนั้นกุรานนี้ก็จะสูรั์ยูนุสนี้ก็จะเป็นสุร้ห์ที่พยายามหักล้างข้ออ้างต่างๆของผู้ปฏิเสธศาา กะในสุรยูรุษเนี่ยจริงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเลยทุกยุคทุกสมัยเลยอย่างระยะที่ผ่านไปได้วระยะสามสิบสองของสุรยูนุสอินามาล็กเนี่ยหลังจากที่ท่านระดีเสชีดเนี่ยเกือบร้อยปีแล้วนะรอยกว่าปีอินามาล็กเนี่ยได้อ่าน ม้ในกลุ่มเนสีกิจของมัสยิดมาเลกีนะเป็นอุลมะที่มีชื่อเสียงอสมควรในบรนาปราชคุ้มอิสลในส ورة ยุนัสนอายะทีอัลลอฮ์รุบอกาฟาดอลกุลลาหูรับบุคุมุลฮะกุนั่นลอัลลอฮ์ระเจ้าที่แา้จริงของพวกท่าน أما إذا بعد الحق إلّا ن ا ه ฉะนั้นหลังจากความจริงแล้วจะมีอะไรอีกล่ะ นอกจากความหลงผิดเท่านั้นแม้การบ้าเดลักกีอิลบตอเมันก็เป็นสํานวนอายะที่พูดถึงเรื่องแนวทางที่สัจจริงที่ถูกต้องแล้วก็แนวทางที่หลงผิดอัลลอฮฺบอกว่านี่คือพระเจ้าที่แท้จริงหลังจากความจริงมีอะไรนอกจากหลงผิดไม่มีนอกจากความจริงแล้ก็มีแต่ความทิด อีกมาเล็กเนี่ยได้ใช้อายะนี่เนี่ยในการพูดถึงการหลงหรือความทิศที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นประเด็นเรื่องศรัทธาในพระเจ้าอย่างเดียวท่านถูกถามเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการเล่นที่มันได้สาระที่มันทําให้ผู้ศรัทธาเนี่ยเสียเวลากับกับการเล่นที่มันได้ประโยชน์เช่นนี่ลูกเต๋า อันนี้ก็บลูกเต๋าใช่หมใช่ไหมงงทำงงอันนี้ก็ลูกเต๋าใช่ไหมไม่ใช่อะไรอะอรูน้น <laughs> กูไม่น่าตอบเลยโดมิโนอเดี๋ยวจเดี๋ยวจะเล่าให้ ทีทีแลเราไม่ไม่ได้ผ่านนิดหนึ่งของแหวนเนี้นแหวนหน่อยนะ น, นี่อันนี้ก็ลูกเดาไม่ใช่ น, นี่คืออะไรไพ่อันนี้ก็เรียกว่าของโบราโบราที่นั่งที่นี่ส่วนมากเลยคงไม่เคยเล่นไพ่ตัวจริงอลยนะอันนี้เล่นเป็นเกมหมดเลยใช่ไหม เกมละทั้งหมดเนี่ยทั้งไพ่ทั้ ง, งแต่นี้ อ, อ, น m, MER Вид and, อ, อันนี้ Pill ไว้ก่อนอามรเนี่ยไว้ก่อนเอานี่ก่อนไพ่โดมิโนลูกเต๋อทำไมผมบอกว่าโดมิโนนี่ก็ลูกเต๋อไพ่นี่ก็ลูกเต๋ลูกเต๋นี่ก็คือเขาเรียกอันนีมันเป็นลูกเงิลูกเต๋ออันนี้ถูกระบุในคดีสุดท้ายอธิบายแล้วเนี่ยอทิตที่แล้วนะอันนี้ ชาวอาหรับเนี่ยเรกตามชาวเปอร์เซียเพราะอิทธิพลของอารลธมเปอร์เซียนี่อันนี้ตอนตอนนั้นน่มีอิทธิพลอาหรับก็รู้จักนะลูกเต่านี่แต่รู้จักในนามอันนร์ดหรืออันนรดเชีรจริกรืปานะดีมััวมุสลิมกันบีโลมก็เูดถึงเรื่องลูกเต่านะมีตั้งแต่สมัยท่านบีก่อนสมัยท่านนบีด้ซไปพันหรกว่าปีแล้ว ในดีนีのの้เห็นคนเขาไมนลกเต่ากันมุสลิมนีลูกเต่าเนี่ยก็บอกก็ห้ามบอกว่ามันลาาบปนนารดชีรใครที่ไปเล่นลุกเต่าเนี่ยฟะแค่หนามาหมศยดหูฟีล่ห์มีขึ้นซีรินวันนี้เปรียบเสมือนอันี้จะเ่องมามุสลิมนะเปรียบเสมือนไม่เอามือตัวเองนี่ไปจิ้มในเนื้อสุกรหรือมันสุกรปัญหาเนี่ยบอกว่าเป็นสนวนเทียบ คนใเวลาเอามือไปจิ้มกันเนื้อกับมันเนี่แสดงว่ากําลังปรุงจะได้จะได้กินไงเท่ากับบอกว่าคนที่เล่นลูกเต๋าเนี่ยเท่ากับกาลังเตรียมตัวจะกินเนื้อสุกรแล้วก็มันสุกรซึ่งการกินเนื้อสุกรและมันสุกรเนี่ยมันหรามันบาปอุลามาจึงเอกฉันเลยนะว่าลูกเต๋านี่บาปฮารามฮารามเพราะอะไรอ่ะเพราะมันมีความเสี่ยงทาย ทุกเกมมันนะมีลูกเต๋านี่นะเราจะเคลื่อนที่นี่นะไม่รู้ว่าจะเคลื่อนกี่สเต็ปจะรู้เมื่อไรล่ะเล่นเออโยนลูกเตา๋าพอโยนลูกเตา๋านี่ถึงจะรู้ตัวเลขและจะรู้ยังไงอะตัวเลขอันนี้ก็แล้วแต่โชคเนี่ยเสียงทายฉะนั้นทุกเกมที่มีเสียงทายคือไม่รู้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะนั่นกนะ็คือลูกเต๋าเหมือนกันฉะนั้นอันเนี้ยอันนี้ก็เหมือนกัน ก่อนนี้จะเล่นเนี่ยเขาให้แจกใช่ไหมแจกน่ะโดม่ได้แจกก่อนนี้จะแจกเนี่ยเรารู้ไม่ว่าเราจะได้ตัวไหนไม่รู้พอได้มานี่ถึงจะรู้ว่าอ๋อฉันมีตัวนี้ถึงจะรู้ว่าสเตตต่อไปเนี่ฉันจะเล่นอะไรจะต่ออะไรต่อหกกับหกสี่กับสีนี่ไพ่ก็เหมือนกันฮะแจกไพ่รู้ไหมว่าไพ่ที่เขาจะแจกนี่มันตัวไหนไม่รู้จะรู้ว่าโชคดีนี่เพราะว่าแจกแล้ว แต่เราได้รู้แล้วว่าตัวเองมันมีมีมีไพยดีนะแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้คู่กรณีเนี่ยไอ้ที่นั่งที่นั่งด้วยกันนี่นะมันมีดีกว่าเราหรือเราแย่กว่าใช่ไหมเสียงาทายทั้งนั้นทั้งหมดนีนะเล่นไม่ได้เกมไหนที่เป็นแบบนี้นะเกมไหนที่เราเล่นกันแบบนี้ได้ฮุกโกลนี้เหมือนเรือไม่ได้พูดถึงเรื่องไร้สาระไม่ไร้สาระแบบนี้อีกแต่มาถึงเรื่องนี้เนี่ยมันก็กิดมันก็เป็นเรื่องคุ้มเคือ ทำไมเพราะ น, นี่ไม่มีความเสี่ยงถ่ายคือแต่ละสเตจเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ความสามารถความฉลาดของเราในการในการวางมากตั้งมากถูกต้องไหแต่มันได้อะไรเล่นแล้วได้อะไรคนที่เล่นเนี่ยเล่นหมักรุกเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมง ที่เขาแข่งกันเนเะกมโลกเนี่ยครึ่งวันเลยนะหกชม่วมงนิดห น, น, น, น, นึภาพนี้เนี่ยปรากฏสมัยท่านอาลีมเนีบยเอลิบเห็นเขานั่งต่อต่อหน้ามากรุกหมากรุกนี่มันก็มีมีพวกมา้ามีนะมีควีนมีคิงอะไรนยนั่งนั่งแล้วก็นังน่งคิดนั่งแบบนั่นเบนมีสมาธิไงเขาชั่ชวมากเลย แล้วก็มีใครมารบกวนน่ะนี่คุ้มช่วงนี่ท่านอาลีมุสตอบเห็นเขาเล่นหมากรุกเหรอข้อความนี้ที่อัลลอฮฺท่านอาลีมุสตอยืมสมนวนของท่านนบีอิบราฮิมที่ตำหนิกลุ่มชนของเขาว่าบรรดาเทวรูปทั้งหลายเนี่ยรูปเจวิที่พวกท่านเนี่ยทไมพวกท่านเนี่ยยืนคารุสการะ สการะยังมีสมาธิต่อมันขนาดนี้ทำไมหนอทาไมเล่ามันแค่เป็นหินเป็นเป็นม้เป็นอะไรวัตถุที่มันไม่มีชีวิตทำไมต้องสการะยืนเคารพขนาดนี้เทนอยว่ยยืนประโยคนี้เอ้พวกข้านีนทำไมนั่งเคารพเคารพมีสมาธิต่อจเจวิตเหล่านี้เรียกเรียกหมากเนี่ยว่าจเจวิต ไอ้มาเล็กเนี่ยถูกถามว่าอันนี้บาเราเรียกว่าหมักรุกใช่ไมภาษาเปอร์เซียก็เหมือนกันน ะ, นะเพราะนี่มาจากสมัยเปอร์เซียเนี่ยเขาก็มีแหลแต่ในด้านประวัติศาสตร์นี่เขายังไม่รู้แน่ว่ามันเริ่มที่ไหนเริ่มที่อินเดียหรือจีนหรือหรือเปอร์เซียนี่ที่ไหนก็แน่ยังยังยั ง, ย, งยังไม่ค่อยมีรีอกรดยังไม่มีใครฟันทงได้ إ م ا مالكك ث ا م ن ما قولك في الشطرنج الشطرنج يعني هنا الشطرنج ماذا قصعب وسيادله سعره ب م ي هنا ي ن تبص ما قولك في الشطرنج ترى مالكك له ت ن مية ق ا ن ن ي ة كيف معقول نه إما مالكك له ت ب د و ي ي ة نه فماذا بعد الحق إلا الضلال แม้แต่บาตร์เดิมฮัอหลังจากความจริงเนี่ยสัจจริงเนี่ยมีอะไรนอกจากความทิศนอกจากการหลงทางมันคล้ายๆคาตอบของสาท่านหนึ่งมีคนมาถามว่าดนตรีเนี่ยฮลลหรือฮรอมชาสาท่านนี้เลยถามคนที่เลยถามคนที่มาถามเขาเนี่ย วรรดนตรีเนี่ยฮาราหรารเขาบอกว่าวันเกมาเนี่ยคิดว่าดนตรีเนี่ยจะมาอยู่กับความจริงหรือความคิดคิดว่าวันเกมานี่พอเราให้แยกนะกลุ่มความจริงมาอยู่ตรงนี้กลุ่มความคิดมาอยู่ตรงนี้คิดว่าดนตรีเนี่ยจะอยู่กับศัลธรรมดนตรีเนี่ยคอนเสิร์ตเนี่ยจะมาอยู่กับกุรานกับชาวคุรานกับคนที่อ่านกุรานงันง่ายงั้นน่ะ เขบอกว่าแ น, น่นน้นอยู่ในฝั่งความทิศแน่นอนไอ้ม า, มาลิกเนี่ยก็อยากจะให้เราได้ตัดสินด้วยสัญชาติตยาณของตัวเองมากรุป๊ปเกมทุกอย่างที่มันได้สาระเนีย่ยมันมีความจริงแล้วก็มีความทิศถามตัวเองสิเพราะเราสามารถตอบได้กุรอานเนี่ยเป็นความทิศหรือความจริงความจริงสุนนะของท่านนบีเนี่ยเป็นความจริงหรือความเทิศเป็นความจริง ทำความมีกับพ่อแม่ความจริงหรือความเท็จความจริงทำความมีกับเพื่อนบ้านเป็นความจริงรมันตบนอบง่ายเหลือเกินอ่ะแต่ทาไมถางว่ามากุ๊กเป็นความจริงหรือความเท็จอะไรนะออันนี้มุขขงทุกคนได้ได้ยินคําถามดีนะได้ยินอย่างดีเลยนะครับแต่อยากได้เวลาจะได้ตอบก็เลยอะไรแนมะ้คําถามอีกทีหนึ่งนี่คือคําถามนีได้ยินดีแนละ้วแต่ยังหาคําตอบไม่ได้ไง ตกลงเกมทั้งหลายเนี่ยสิ่งไรสาระทั้งหลายเนี่ยจะไม่อยู่กับความจริงหรือความเท็จตอบตัวเองได้และธรรมนูนยห่งชีวิตเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็สามารถอันี้มีบางอย่างเนี่ยมันก็มันก็ไม่ใช่ความจริงนะมันไม่ใช่ความไม่ใช่สัจธรรมจัดจ๋าเลยเนี่ยออย่างเช่นขี่ม้าอย่างเนี้ย ความจริงหรือความเท็จนี่ไงไอของคุ้มคืนแบบนี้นี่นะศาสนาจะไม่ปล่อยให้มันคุ้มคืนนท่านนบีก็เลยบอกว่ามันมันก็เลยมีตัวบทไงเกมบางอย่างการเล่นบางอย่างนี่นะถ้านไม่รู้ว่ามันคือความจริงมันคือศาสนามันคือฮักการสามีกับภรรยานี่หยอกล้อกันเล่นด้วยกันพูดคุยด้วยกันเล่นกันพูดเล่นด้วยกันนั่นนะไอนี่ศาสนาทำเลย สัจธรรมการที่เราพูดเล่นกันเนะ่ยพูดสัทธานี่พูดเล่นด้วยกันพูดเล่นด้วยกันเพื่อหยอกลอ้อหรือแต่ให้แบบให้มีความคลายเครียดหน่อยนี่นะโดยที่ไม่ได้โกโหกไม่ได้นินทาคนอื่นไม่ได้อะไรคนอื่นนะพูดพูดสิ่งที่มันถูกต้องที่มันเป็นความจริงไม่ได้โกโหกไม่ได้อะไรนะแต่พูดเล่นเนี่ยพูดตลกหน่อยเนี่ยความจริงท่านบดีทำ นาบีทำไงนาบีพูดเล่นไงนาบีพู ด, พดเล่นพูดเล่นกับโตคนหนึ่งคนชราคนหนึ่งบอกว่าโต๊าบีไม่ได้บอกโต๊ะนะนาบีพูดกับผู้หญิงชราคนหนึ่งบอกว่านี่เธอคนแก่นี่ไม่เข้าสวรรค์นนะคนแก่นี่ไม่มีเข้าสวรรค์โทษอนู่ร้องไห้เลยอะ นบีก like ็บอกนี่หมายถึงว่าวันเกียรม่าีิคนที่จะเข้าสวรรค์เนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นสาวอัลลอ์จะฟื้นฟูให้เขาเป็นสาวก่อนจะไม่เข้าสวรรค์ในในรูปแบบของคนชราคนแก่เขาจะต้องสาวก่อนซาบาะกะเลยบอกนบีอินเกะตัมซะฮุนบีก็พูดเล่นมึงนี่นบีนบีก็พูดเล่นมี่ตัมซะฮุิซานมิซ คือคำว่ามิ زة เนี่ยเราแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยไม่มีคําแปลอื่นนอกจากพูดเล่นแต่ที่จริงเนี่ยมิ زة เนี่ยคือคําว่าพูดเล่นนั่นหมายถึงว่ามันมีพูดเล่นและพูดจริงไงแต่คําว่ามิ زة เนี่ยมันไม่ใช่เล่นคือมิ زة เนี่ยหมายถึงว่าหยอกดีกว่าหยอกอ้างนัีหยอกแล้วเหมือนกันนี่พูดเล่นเหมือ่นนั่นนีบอกว่าน้ําใช่ ولكن หนีเล่าก็ว่าอิ่นแล้ว้าไม่พูดอะไรแบบนี้พักพักเรื่องอะไรเนี่ยว้ยเดีบบพักพูดความจริงแสดงว่าแสดงว่าการพูดเล่นถ้ามันเป็นจริงพูดจริงแล้วเราถามด้วยเอาหนี้ที่พูดเล่นเนี่ยที่เราเล่นเล่นเนี่ยพูดเล่นกันเนี่ยคนเกยร์มากหนูจะอยู่อะไรอยู่กับความจริงหรือความเท็จกับความจริงถ้าเรามีเจตนาที่ดีถ้าเราไม่ได กาทหรือเอาสิ่งที่มันเบี่ยงเบนศาสนาเนี่ยมาใช้ในการในการเล่นฉะนั้นการยิงธนูขีมาว่ายน้ำมี hadis ถึงแมว่าโดยิแต่มีคำมูดของซาบะที่สนับสนุนว่ากีฬาเหล่านี้แล้วอะมารุ่นหลังในบอกว่าและทุกกีฬาที่เทียบได้กับกีฬาที่สร้างประโยชน์หรือเกิดประโยชน์กับผู้ศรัทธานี่นะมันก็เป็นหัก เป็นความจริงเป็นสิ่งที่ศาสนาสามารถพูดได้นะว่าศาสนาส่งเสริมกีฬาอะไรที่ทําให้ผู้ศรัทธาแข็งแรงกีฬาที่ทําให้ผู้ศรัทธาเนี่ยวายวะเนี่ยมีความแข็งแกร่งและก็รับใช้ศาสนารับใช้สังคมได้เป็นกีฬาที่ศาสนาสนับสนุนแต่กีฬาที่ทํำให้คนเป็นพิการสนไม่สนับสนุนแน่นอนไอ้นักกีฬาเป็นพิการ บั่นปายชีวิตนี่ก็ไม่มีอะไรวาสมบูรณ์สักข้างหนึ่งอ่ะในนไม่สนับสนุนเอาเป็นเอาตายให้คนสนับให้คนสนุกให้คนเล่นการพนันกันในนี้ไม่สนับสนุนแน่นอนที่เราบอกว่ากุฎานเนี่ยเป็นธรมนูญชีวิตหมายถึงว่าอธิบายง่ายๆเนี่ยเ่อเราไปพูดกับชาวบ้านนะั่นนะกุอานี่เหมือนไปฉาย เวลาเห็นส่วนไหนในชีวิตเนี่ยมัน ม, มืดมนไปหมดมองไม่เห็นไม่ชัดมันอายมันคืออะไรสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือคำตอบตอบ ต, อบตัวเองเนมันไม่นว่ามันคืออะไรพอเราเอาไฟฉายนี่นะมาส่องมันอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองกุณอ่านนี่ก็คือไฟฉายตาเนี่เรามีอยู่แล้วสสารสิ่งต่างๆในโลกมันก็มีอยู่แล้วแต่กุณอ่านนี่จะให้เราได้เห็นเนี่าะ นี่อะไงที่เราเห็นเน่ยมันอะไรมันดีไมมดีใช่ได้ไม่ได้ด้วยสำมวลที่จะชับซนรดคุมอามบดลักอิลลบลามอ้นียแล้วเ็กนี่อะลัซุห์บฮันอวยด่าล้กระไรเพราะคนนั้นไอ้เนี่ยอ้ที่พูดไอ้สามูสองนพูดถึงการที่ ผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ไม่ยอมรับในอัลลอฮ์เนี่ยไม่ยอมรับว่าพระเจ้าไม่มรับว่าอัลลอฮ์เนี่ยต้องไหบาด้ต้องเค า, ารพสักการะพระองค์เป็นผู้เดียวในเมื่อผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่เลือกที่จะตั้งภาคีกับอัลลอฮ์มีภาคีอื่นๆมอบการเคารพสักการะกับเขาอื่นจากอัลละฮ์ เมื่อเลือกแล้วแบบนี้ลิขิตของอัลลอฮ์เนี่ยกำหนดตัดสินพิพากษาของอัลลอฮ์นี่ว่าพวกนี้เนี่ยถ้าเลือกทางแบบนี้แล้วอัลลอฮ์จะไม่ช่วยนะข้อละแต่ดังนั้นข้นแรกลิขิตของพระเจ้าของเจ้าย่อมเป็นจริงแก่บรรดาผู้ที่ฟาฝื้อว่าแน่แท้พวกเขาจะไม่ศรัทธา พัดคำคําของพระบิดาคําต ah, ัดสินของ a ลคําตัดสินนี come, ่คือแปลว่ลิขิตการตัดสินของ Allah นี่ Allah ไม่เนรเทศคนที่ฟ้าฝืนฟาฝรนนี่คืนทีเลือกทางแล้วว่าฉันไม่เอาถ้าเลือกแล้วว่าฉันไม่เอาทางของ Allah นี่นะ Allah ก็พอถ้าไม่เอา Allah นี่ Allah ก็ไม่เอาพวกเจ้ามตมัทา ไม่ได้หมายรวมว่าอัลลอฮ์จะห้ามไม่ให้เขาศรัทธาแต่หมายรวมว่าตราบใดเขายังติดหัวใจยังติดตายังไม่เปิดใจให้รับศัจธรรมหรือศึกษาศัจธรรมในกรมีที่คนเขายังยังยังไม่มั่นใจในศัจธรรมที่มาจากพระเจา้าแต่ ในฐานะที่เรายังไม่รู้ว่าเป็นสศารนาหรือไม่นะมนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิ์ที่จะศึกษาเพราะยังไงก็ยังไม่สามารถสรุปว่าศธรนาจากพระเจ้านี่มันเป็นความทิศทันทียังไม่ทํารู้ยังไม่ได้ศึกษาเนี่ยนก็ไม่ใช่นี่ของนบีมุฮัมมัดนี่มันทิศมันใช้ไม่ได้เขายังไม่ไดฟังเลยยังไม่ได้เรียนรู้ยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ฟันตรงนั้นเหรอ ถ้ายังไม่ฟังยังไม่อ่านยังไม่ศึกษาแล้วก็เลือกที่จะฝ่าฝืนอเมร์ลลไม่เอาอเมร์แ ล, ล้ว อ, นะอันเนี้ย์บอกว่าเธเป็นอย่างนั้นนะผมไม่ตรงมาถ้าไม่ยอมเปิดใจนะฉันก็จะไม่ช่วยเอา้าแล้วหมายถึงว่าแล้วถ้าคนเปิดใจแนะ่บนี้แหละและ้วนี่คือเรื่องที่เราที่เราต้องเข้าใจแนละเห็นใจพี่น้องต่างศาสนกเรื่องเปิดใจ คนนี้ไม่ใช่มุสลิมเนยมีคนไี่เปิดใจและมีคนนี้ผิดผิดไม่รับฟังไม่อะไรทั้งสิ้นคนนี้เปิดใจรับฟังเราต้องใจเย็ยนเราไม่มีอำนาจเราไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเร่งเขาโดยซ้าไปมันมีเรื่องที่เราต้อง พูดนิดนึงบางทีในพี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยศึกษาศึกษาอิสลามอยู่และมีคนที่เผยแพร่อิสลามเนี่ยเขาก็เขาก็เห็นแล้วนี่เขาก็นังศึกษาอิสลามอยู่นี่ศึกษาอิสลามอยู่ครับอิสลามเลยครับอิสลามเลย ตายไปเป็นมุสลิมดีกว <te> kind of ่าตายเป็นเป็นเป็นการขึ้นเนี่ยเราจะได้เราจะได้รอดไงที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่ทุกทุกกรณีที่เราสามารถเสนออเรื่องแบบนี้ได้ไม่ทุกกรณีเพราะความศรัทธานี่มันต้องมีความศรัทธาที่รอบคอบคนที่ศรัทธาที่เชื่อในพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็ศรัทธาในท่านนบีแล้วก็ยอมเชื่อแล้วเนี่ยว่า คำสั่งสอนของอรนี่จะเป็นแนวทางชีวิตเนี่ยเขาเชื่อแบบนี้ทุกอย่างแล้วเนี่ยแต่เขาติดขัดติดขัดเด้งจะรีดเกงใจคนในบ้านมีปัญหาเรื่องคนนู้คนนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเราบอกเขาว่าท่านประกาศกันิม่มอ่ไปเลยกล่าวปฏิญาณตนไปเลยแต่เรื่องที่จะบอกคนอื่นนี่ก็เอาไว้ก่อนก็นได้ แต่ให้ท่านประกาศว่าตัวเองเป็นมุสลิมก่อนอันนี้แบบนี้เนี่ยเห็นด้วยเร่งให้เคารพอิสลามก่อนที่จะเจอชะตากรรมอะไรบางอย่างนี่ในใจในเป็นมุสลิมแล้วในใจในเป็นมุสลิมแล้วแต่ไม่บอกใครเลยแม้แต่คนเดียวแม้แต่เพื่อนสนิทก็ไม่บอกใครเลยแล้วก็โสดวดถึงแก่กรรมล่ะเสียชีวิตล่ะมันก็จะเป็นปัญหา แต่ได้หาว่าคนอยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาอิสลามใะบางทีในละมาดก็เป็นละเพราะบางคนในชอบเนี่ยไม่อยากจะเข้าศาสนาอะไรโดยที่เขาคุมเครือเขาก็จะฝึกละมาดฝึกตือนสิ้นอดเรียนรู้ทุกอย่างเปี้ยเปี้ยแต่ถามลึกๆนี่ว่าว่าเขาเขาเชื่อจริงไหมเขายังไม่สามารถให้คําตอบได้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงกับ นักเผยแพร่อิสลามระดับโลกนะเชคอับดุลมจิดอัลจินดานีท่านเป็นเป็นนักวิทยาศาสตร์และท่านเป็นสมาชิกคณะกรรมการคณะกรรมการคนแรกเกียเกี่ยงเรื่องมหัสจันาวิทยาศาสตร์ในคุรานและฮะดิษ คืออะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่เพื่อจะพิสูจน์ในช่วงหลังนี่ว่ามันเป็นทฤษฎีที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์และก็มีระบุในกุตัานและหัตถสมท่านในมิโซโลเซมก็จะมีนักเผยแพร่ที่เขาจะพยายามรวบรวมเรื่องนี้แล้วก็จัด ก, การประชุมแล้วก็เชิญชวนนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนี่อมาเพรา ก, ก็ว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาจัดประชุมใหญ่นี่แล้วก็มีในเพศคนหนึ่งจากบ้านเราเนี่ยจากเมืองไทยเนี่ยโดยว่าจากเชียงใหม่ แล้วก็ไปร่วมพูดเรื่องการกำเนิดของทารกในมดลกูกพูดอย่างละเอียดแล้วท่าารกมันจะเกิดอย่างนี้เป็นแบบเช่ครับดมารสนในคำว่าเีที่ท่านพูดนี่นะเมื่อพันสี่รอปีเนี่ยท่านนาบีมุฮัมมัดนี่บอกก็อย่างละเอียดที่บดเลยแล้วแกก็อ่านคุ่านฟังแล้วก็อธิบาย ชื่อทนลนโหนท่าทท่แบบนี้เนี่ยแสดงว่ากุอ่านนี้คาพีนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ส่ของมนุษย์ต้องเป็นของพระเจ้าจริงห้องท่านเชื่อนี่ท่านเกาเลยลองคนไทยเรานี่ยคือัธยาศัยดีไงไม่ไม่อยากให้ใครโกรธเนียท่านเกาลลอได้เลยได้เลยคือเขาไม่เข้าใจว่าเกาละเกาเลยเลแล้วนี่มันมีผลต่อมาอย่างไง แต่เขาเขาทิ้งเลยเขาทิ้งจริงเลยว่าเออคุณอ่านชทกับมิซินเดนี่ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นผลงานนะแล้ท่านพูดตลอดนี่ว่านี่มีนายแพทย์จากประเทศไทยนี่เขาได้เข uh ้าประชุมแล้วก็ได้รับรู้อัศจรรย์ของกุรอ่านในเรื่องทาตกในมดลูกอู้รับอิสลามจนมีคนนึ่งนี่ยได้เห็นวีดีโอของของแชทกับมิซินเดนี่และตอนี้ผมก็อ่านคอมเมนต์ของเขาเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์ของ ในแพทย์คนเนี้ยเป็นอาจารย์นะเป็นอาจารย์อนาแพทย์จะไม่ได้มาอะไรน่าจะนายฟ้าหลวงเปล่าจะไม่ได้เขาบอกว่าไม่นะอาจารย์คนนี้ยังเป็นพุทธอยู่ยังเป็นพุทธเขาไม่ได้ม่ไเป็นมุสลิมไม่อะไรเลยบางทีเนี่ยเราจะไปเร่งอะไรกับอะไรกับพี่น้องต่างสิริกเนี่ยเขารับอิสลามโดยที่ไม่ได้ไม่ไดศึกษารคข้อไม่เข้าใจคําว่ารับอิสลามเนี่ยแปลว่าอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มี ผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะในกรณีที่เราเผยแพร่ลามและคนที่รับ伊斯兰เนี่ยส่วนมากกันนะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะติดตามเขาสังเกตได้เลยส่วนมากเนี่ยพอคนรับ伊斯兰มานะจะไม่มีพี่เลี้ยงคอยติดตามอย่างใกล้ชิดเลยเพราะเรื่องการทำงานศาสนาเรื่องนี้เนี่ยนะนะบุคลากร น, น้อยถ้าคนที่รับลามเนี่ยไม่สนใจเองไม่ศึกษาเองนะโอ้แทบแทบไม่ไม่ได้ผลเลย รับอิสลามอยที่เราเห็นกันในบางทีนี่ก็รับอิสลามเขาจะแต่งงานแล้วก็บังเอิญกับภรรยาที่เป็นมุสลิมเดิมมันก็ไม่ได้เข่งศาสนานะใช่ไหมก็ไม่ได้เชิญชวนสามีที่เพิ่งรับอิสลาม ม, มาเรียนรูห้หรือมาปฏิบัติเพราะตัวเองก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเข่งคัดอยู่แล้วใช่ไหมผลลัพธ์ในสุดท้ายนี่เขาก็อาจจะกลับไปสู่ความเชื่อเดิมก็ได้ซึ่งมีเคสเยอแบบนี้เราต้องคือเราต้อง ประโยชน์ของการเรียนอัลกุรอานเนี่ยจะเป็นธรรมนูนชีวิตเนี่ยเวลาคนรับอิสลามแล้วเนี่ยแ้วศึกษาเรียนรู้กุรอานนี่นี่แค่รู้อะไรเดียวนะมีประโยชน์มากในชีวิตฝ่ากระบอกว่าสิ่งที่อิสลามความจริงและก็ความที่นี่ถามตัวเองได้บางทีไม่ต้องมีความรู้เยอะเนี่ยไม่ต้องมีความรู้อยากจะรู้ว่าเออสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันควรทาหรือไม่ทานี่ก็ถามตัวเองนี่มันมันน่าจะเป็นความจริงหรือความทิ่ มันก็พอได้คําตอบระดับหนึ่งสเต็ปหนึ่งแล้วก็คอยศึกษาที่หลังเนี่ยเรื่องรายละเอียดก็ได้ซึ่งตรงนี้จะต้องเปิดใจคนนี่งยังไม่ได้รับอิสาะนี่ถ้าเปิดใจแล้วเนี่ยเราจะช่วยช่วยให้เขาได้เห็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่จะทําให้เขาศรัทธาเร็วขึ้นแต่คนที่ปิดใจแล้วเนี่ยปิดตาปิดใจแล้วเนี่ยไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากจะเรียนไม่อยากจะศึกษาอะไรเลยเนี่ยอาม่าก็จะไม่ช่วย นี่แหละที ane, au, ่เราก็จะไม่ช่วยนี่แม้แต่ว่าเขาเฟซสกูเฟซสกูเนี่ยแล้วเขาฝากฟืนแล้วเขาเขาสนิทแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากฟังไม่อยากจะรับรู้อะไรเกี่ยกับสัจธรรมที่มาจากพระมิ่งเจ้าแล้วเนี่ยยี่ิดที่อัลลอฮ์จะตัดสินเขานี่อันหนุ่มลอยยกมินุนแน่นอนแน่แท้พวกเขาจะไม่ศรัทธาอันนี้ในรูปแบบของคนที่ศรัทธาแล้วไม่ศรัทธาแต่มาดูในรูปแบบของคนที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วเนี่ย กฎเกณฑแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับคนนิสิตไทาแล้วได้ไหมอย่างเช่นมุสลิมมุสลิมแลาน้าเดืบร้อยกับมุสลิมเร้อยะแต่รู้ว่าเรื่องนี้มันบาปทำไม่ได้แต่ไม่ยอมที่จะเปิดใจให้ศึกษามากขึ้นให้เรียนรู้มากขึ้นเพิ่มความรู้มากขึ้น จะได้ก่อการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความรู้ไม่ปิดเลยยกตัวอย่างอย่างบุหรี่อย่างเงี้ยบุรีบุหรีนี่มันมีมันมีฐานเบื้องหลังอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ฮารอมมันแค่ม a c r o macro นี่เขาเคยยึดละม a c ร o จำไว้ดีไหมั a c r o macro น่ะเวลาใครบูดอะไรเนี่ย m a ร r o นี่ macro เองเดียว พอมีคนมาเสนอบอกว่าบุหรี่นี่มันอันตรายต่อสุขภาพนะมันทำลายสุขภาพตัวเองนะ่ายิ่งกว่าเล่าอีกนะเออมากรูคือเขาปิดใจไงผลลัพธ์ของเรื่องนี้เนี่ยปิดใจใน ไ, ไม่ฟังเลยอะไรก็ต้องสูบบุหรี่ต่อถูกต้องไหมมันไม่มีอะไรที่จะ ท, ที่จะแย่กว่านี้มากจากว่าถ้าไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ยอมที่จะเพิ่มความรู้ จนกว่าจะต้องถูกบังคับต้องไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าต้องเจาะต้องเจาะคอล้วไม่ได้ต้องเจาะคอแล้วต้องเลิกตอนนี้ถ้าไม่เลิกก็ไม่เลิกก็ตายคราวนีน้ีจะเลิกไม่ไม่ใช่เพราะเชื่อฟัง Allah น, นะอืมไม่ได้เลิกเพราะเชื่อฟัง Allah ไม่ได้เลิกเพราะเชื่อฟังบทเบเนียตเลยนะเลิกเพราะถูกบังคับให้เลิก มี่ผลบุญมไม่มีผลบุทุกเรื่องนะที่เป็นเรื่องบาปเลิกหรือไม่ทำํำไม่จำเป็นต้องเลิกนะไม่ได้ทําอยู่แล้วแต่นี่ไม่ได้ทํานี่ไม่ได้ทําเพราะอะไรเ <c oughs> พราะเชื่อแบบว่าจีน่าอย่างเงี้ยแต่คนนี่เคยจีนา่าแล้วก็เลิกมีพระหมอบอกว่าทําไม่เลิกนะติดเชื้อนู่นนี่เนี่ยมีสิทธิ์ตายเลิกเลิกเลิกแล้วไม่จีนา่าแล้วได้บุญไหมไม่ได้บุญ แต่เขากำลังสินาอยู่้มีคนมคนมีบาปเนี่ยบาปเนี่ยบาปใหญ่เนี่ยฉันไม่ทำเรื่องบาปแไม่ไม่ไม่ฉันเลิกฉันเลิกแต่ผลละบุญมาสนบางคนนี้ไม่ได้สินาอยู่แล้วไอ้ขณะที่เขาไม่สินานี่ถตาเขาไม่ได้ซินาเพราะเขาเชื่อฟังบทบัญญัติแค่นี้ทำไมไม่สินารล่ะบาปสิทได้ทําไม่ได้หรอกบาปนานี่มันบาปทาไม่ได้ได้บุญ ลเวลาที่เราไม่ไดีสินา24ชั่วโมงเนี่ยเมื่อทุกวินาทีสักวินาทีหนึ่งถ้าสินาถูกไอ่มาเนี่ยเรามีคำตอบพร้อมว่าไม่ทำเนี่ยเพราะมันบาปถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าทุกเวลาที่มันผ่านพ้นในชีวิตไม่ทำสินาเนี่ยเรากำลังได้บุญอยู่ไม่ชิสีนาเนี่อนะทุกบาปที่เรามีอุดมการยึดไว้ว่าไม่ทาเนี่ยเพราะเาห้าม ได้บุญได้บุญโอ้บางคนนี่บอกว่าไอคนนี้ไม่ทําสินานี่ได้บุญตรงไหนอะดีตรงไหนมากกว่าคนที่ทําสิน่าละต้องนี้แบบต้องดีเลิศเลยต้องมาหาศาลเลยละอะทําไมติ้งว่ะไอคนที่ทําสินาเนี่ยได้บาปนี่เพราะเขาทำบาปใหญ่ใช่ไหมแล้วคนนี้ไม่ได้ทำสีนาละก็ไม่ได้ทำแค่แค่ไม่เชื่อเออแค่แค่เชื่อ ว, ว่าสีนานี่มันบาปได้บุญแค่นี้เหะ อ๋อเชื่อว่าดีนานี่มันเป็นาบาปใหญ่ได้บุญบุญเพราะเชื่อว่าดีนาเป็นาบาแค่นี้แห้วไม่ใช่บุญดีตัวเองเนี่ยประคับประคองชีวิตไม่ทำศินาถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันถูกเสนอต่อหน้าต่อตาในปัจจัยในรูปแบบต่างๆนี่นะพยายามที่จะไม่เข้าใกล้ดินะวลาตะกรบุษดีนานั่นน่ะได้บุญตลอดเวลาไม่กินเหล้า ไม่เสพสิ่งเสพติดทุกเวลาที่มันผ่านพ้นโดยที่ไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เสพยาเนี่ยได้บุญมีเตอร์นะมีเตอร์และนี่คือผลผลของความเชื่อผลของไม่นั่นมันจะรู้ยังไงอุลมะนี่บอกว่าเอาละคนที่รู้แหละ ว, ว่าศินานี่มันบาปแต่เขาอยากทำนะเขาอยากศินานะ แล้วทำไมไม่สีนาแล้วตายไม่มีตังแค่นั้นแหละง่ายๆนิดเดียวถามว่าเขาก็ไม่ได้สีนาเนี่ยได้บุญไหมได้บุญเหมือนคนนี้ไม่ได้ทําสีนา อ, อีกคนหนึ่งก็สองคนอีกคนนี้ก็ไม่ไทําสีนาคนนี้แต่คนนี้เนี่ยไม่ทําซีนาโดยเป็นอุดมการว่ามันบาปแล้วเขาจะไม่ทําตลอดไป อีกคนหนึ่งเขาไมไ่ทำสหนะแต่เขาไม่มีอุดมการนี้เขาบอกว่าให้มี <laughs> ain, ma, ่เธอให้มาสักครั้งหนึ่งต่างกันตรงไหนต่างกันในในเจตนาในอุดมการนี่แหละและผลของเจตนาผลมาหาศาลเลยทั้งนั้นที่มันแค่ความเชื่อแล้วก็เจตนาที่มันอยู่ในใจนะแต่มันมีผลต่อการบันทึกผ ล, ลบุญของผู้สัท สำหรับมุสลิมที่ทำความชั่วและอยากจะเลิกความชั่วทำบาปและอยากจะเลิกบาปเปิดใจในแค่เปิดใจเนว่าจะเลิกนะเดี๋ยวเรา จ, จะช่วยเราช่วยคนที่สม บ, บุรีแล้วก็ตั้งใจจะเลิกบูรีเดี๋ยวเราช่วยไม่ต้องกลัวรขอให้ท่านจริงใจนจริงใจงที่จะเลิกจะได้ยังไงเนี่ยนี้ไม่ใช่อคนเียวเราโเราจะจัดการ่ขอให้จริงใจ ทุกเรื่อเลยทุกเรื่องเลยขอให้จริงใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเดีอัลลอฮ์ก็จะช่วยเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ละพอเรายอมรับในความอ่อนแอของเราเราไม่สามารถที่จะทําอะไรให้ตัวเราได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์เราเชื่อแบบนี้จึงมอบหมายให้อัลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลือให้เราได้เปลี่ยนแปลงอัลลอฮ์ก็ช่วยสุดท้ายเกี่ยวกับไอ้นี้ เช่นเดียวกันปัญหาต่างๆในชีวิตของเราเราหาคำตอบที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตของเราในรูปแบบที่แตกต่างกันบางคนหาคำตอบแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองจากมนุษย์มนุษย์นี่จะเป็นมุสลิมมันอยู่มุสลิมหาทางออกจากละครดูละครมันจะได้หา ครเครียดแล้วก็ดูดูละครเนี่ยก็ทำอะไรอย่างเ้ยนะที่บางทีเนี่ยนี่ท่านเหมือนคนนี้ดีในละครเนี่ยกลเป็นแบบอย่างนะแบบฉบับ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็มีก็มีดาราที่ฟัตวานะฟัตวาในศะา ส, สนาเลยนะออกมาชี้นะชาวบ้านหนึ่ย ถ้ามีปัญหาเธอมีปัญหาอะไรในชีวิตกับสามีนี่เธอทํ า, ทาแบบนี้นะเขาหายทามออกนะบางคนดีมากเลยนะชีวิตของฉจะมีดีขึ้นเลยคือคือเรบปฏิเสธไม่ไดนะ้บางคนเนี่ยก็ชีวิตก็ดีขึ้นจริงเลยนะจากคนที่อผู้หญิงภรรยาที่ทุบตีสามีฟังถูกแนละ้วนะื่อชีวิตสามีคือภรรยาที่ทุบตีสามี ความรักคำแนะนมุนม่ได้เนะี่ยผู้หญิงทำแบบนี้ไม่ได้นะผู้หญิงต้องอ่อนโยนนะีต้องอะไรชี้ก็ดีจริงแต่ไม่ดีดีเพราะแสงสว่างของอัลกุรอานปัญหาในชีวิตของเรานี่มันอยู่ที่ทางเลือกที่เราจะเปิดใจเปิดใจให้ใครเปิดใจให้ละครช่วยมาแก้นหน่อยเปิดให้ดาราช่วยมาแนะนำชีวิตหน่อยเปิดให้ใครก็ไม่รู้ว่าหรือเราจะเปิด ใจเปิดหัวใจเปิดสมองให้กุณอ่านช่วยมาสั่งสอนฉันหน่อยให้พระเจ้าของเราเนี่ยช่วยมามีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงชีวิตของเขานอของเราหน่อยปัญหาชีวิตทุกปัญหาในชีวิตเนี่ยเจอปัญหาอะไรมีอ่านกุตอ่านนอ่านกุตอ่านดูเดี๋ยวเราจะช่วยนะเราจะให้มีทางออกให้มีทางรอด อัาการศึกษาการเรียนอ่านหนันสือไม่ออกอ่านไม่เข้าใจอ่านแล้วอ่านอีกไม่เข้าใจเก็บไว้ก่อนนะตำราหลักสูตรการเรียนเก็บไว้ก่อนนะอ่านมาอ่านกุดอ่านสักนิดกุดอ่า น, น, นมันเหมือนน้ํามันหล่อนลืน่นทําให้สมองนนี่ทำงานสดใสรู้สึกเครียด รู้อุดหนุอทําได้ดีอ่านแต่เปิดทิกติกไูใครเครียดอ่านคุดอ่านยังเป็นอว่าองมาเปิดอ่านแล้วก็อ่านด้เนี่ยเอาคุอ่านนี่ยมันคูอานที่จได้นี่อ่านสามคูดอ่านอ่านคูดี่อ่านฟาติฮานักวิชการเขาแนะว่าถ้าอ่านหนังสือไม่เข้าใจนี่อ่านฟาติฮ่าฟาติฮานี่สุรา แฟร์ที่เราบอกเราเปิดเปิดเปิดทุกอย่างเลยอะไรที่มันติดเนี่ยเราจะเปิดให้เปิดทางให้เบิกเบิกทางให้สุดท้ายนี้เราขอตัวขอพระสุภาราหัวตาให้พวกเราได้ได้เป็นกลุ่มชนที่พระองค์ได้โปรดเมตตาให้มีหัวใจที่มีความบริสุทธิ์เพียงพอ อันที่จะเป็นภาชนะรับการเทใส่คุรานไปยังภาชนะนี้ให้อบอิ่ด้วยวิทยาปัญญาและองค์ความรู้ที่สดใสของอัลกุราน ให้นำชีวิตของเราไปสู่ความถูกต้องถูกประการขอให้พวกเราได้เป็นผู้ที่อัลลอฮสุบฮานุวาตาละให้เกียรติฝากกรุรอานไว้ในสมองในหัวใจของเราเพื่อนำเสนอกับคนอื่นเบิดทางนำให้คนอื่นให้เขาได้ลิ้มความหวาน ความดีงามของอัลกุรอานขออย่าได้ให้พวกเราเป็นคนที่อ่านกุรอานแต่กุรอานสาบแช่งเราอย่าได้เป็นคนดีละทิ้งกุรอานไวาอยู่เบงหลังชีวิตของเราขอให้เราได้มีกุรอานเป็นทนายความเป็นผู้ โต้แย้งให้เราในหลงสุขลในวันเกียรติเราขอให้พวกเราทุกคนนะครับได้รับความโปรดปรานจากพระสุภาณุขตาลาเข้าใจกุตรานปฏิบัติธรมกุตรานในทุกประการอินชาอัลลนะครับซุลลลอฮอลนบี a m m a n w a l u s m น้องมีคาถามไหมบังคับนวิธีการการด เพื่อนสนิทอาจจะไม่ต้องพูดเรื่องศาสนาก่อนให้เขาไว้ใจก่อนเรื่องมารยาทสัตย์ที่เขาด้วยมารยาทของอิสลามนี่แหละถ้าไปเปิดประเด็นเรื่องอิสลามเรื่องหลักการเรื่องอะไรเรื่องดาว่าเขาเรื่องศาสนานี่ยเขาอาจจะไม่รับถ้าเขารับได้ก็โอเคเริ่มต้นด้วยด้วยหลักการอิสลามไปเลยถ้าเขารับได้แต่ส่วนมากเนี่ยคนถ้าไปเริ่ม แคนไม่ละหมาดอย่างเนี้ยบางละหมาดนะเฮ้ยไม่คุยดวยรือละมาดก่อนนะละหมาดถ้ยอย่างนงี้คงไม่ไ ม, ไม่ไม่รอดนะ่ะแต่ถ้าเป็นเพื่อนก่อนสนิทแสดงมารยาทบางวิอะไรเฮ้ยผมช่วยนี่บอกลนลยงเงี้ยพอเขาไว้ใจแล้วเนี่ยเราจะบอกอะไรก็ได้แต่เขาเสี่ยหมดแหละเขาจะไม่คิด ทำไมอะคือมาจากคนที่เขาไว้ใจแล้วไยแล้วเขาจะรู้ว่าคนนี้เนี่ยเขาเคงไม่เอาไม่เอาเรื่องเลวมาให้เราและที่หึ่งท่านนาบีทำแบบนี้สี่สิบปีเนี่ยท่านนาบีพิสูจน์คาว่าอัลซอเดกันอามีนพิสูจน์ว่าท่านนาบีไม่พูดโกหกแม้แต่ครั้งเดียวและเป็นคนที่มีความสัตยจริงตลอดสี่สิบปีในยีเนียนเนี่ ย, ยพอท่านนาบีพูดแล้วเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะเถียงท่านนาบีว่าไอ้ e y, ท่านโกหกกัน ไม่สามารถที่จะป้สีเขาได้ท่านไม่มีอำนาท่านก็หกไม่ได้พรเขารู้แน่น <laughs> ี่ายาอัสดิกะละมีนไม่ใช่มุสลิมี่ให้นบีนะไม่ใช่คนกาเฟนนี่ที่ให้นบีเนี่ยุชริกีเนี่ยที่มักกาเนี่ยที่ยกย่องนบีเนี่ยมุฮัมมัดอัสานที่จะเป็นนบีเรียกว่าอัสดิกะละมีคนที่มุิงคนละมาจึบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ย ตัวพิสูจน์ของอูชริกีนว่าอิสลามเป็นสักจริงนะคือมารยาทของท่านเลยมีคำตอบชัดสําหรับคนที่บอกว่าอัคดะสําคัญกว่ามารยาทในวันที่โลกอาจารย์มาที่โลกเราอาจจะหายไป็นท่าที่ถูกต้อนหายไปเรื่อยหายไปทุกรูปแบบเลยไม่มีคุตัานว่าเบอร์คุต <laughs> <laughs> ัานนี่ไม่มีเป็นกระดาษขาวไม่มีอะไรเลย คนน no ี I mean, right there, us, so the oh! ้ท yes. like ่องจำคุตตานั่นเน่ยในหัวใจของเขาเนี่ยตื่นมานี่ลืมหมดลืมสนิทเลยจำไม่ได้สักอายาหนึ่งนี่เป็นเป็นสัญญาณของสิลลกครับแน่ากลัวคนเราเนี่ท่องจํำคุตตานี่ตอนนี้เนี่ยนะตื่นมาอ่านกุตตานนี่ล้วมันแลก็ลืมอหนึ่งคดบุดหิดเลยลืมอายาเดียวนี่ยจำไม่ได้นี่ยิ่งถ้าเป็นอิมามนะถ้าเป็นอิมามแล้วก็ลืมโอ้นี่มันจะมันจะแย่มากเลยอ่ะแล้วก็ลองคิดดูสิตื่นมาเนี่ ثم جمعنا ا ل ذ ن ي س ك ا ن ه فاتحة، أليس فاتحة؟ جل ما أني أأنا لا ا ل ح م د لله م اليوم، ا و ه ا ك ن ك و م غ يا هي يا هي و يا هي و ن ش و ف ن له نبي بقول لا تقوم الساعة ا ل ا على شرار ا ل خ ا ل ق ي وأن جماعة ك ث ن ك خ ل ت ي لا يتسود บางสำนวนนี่บอกว่าวันเกีมันจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่เคยพูดว่าอัลลอ์อัลล์หมายถึงว่าแม้กระทั่งพระนามอัลลอ์นี่ไม่เคยเอ่ยนะเลวขนาดไหนอะมาบิสมิลลาห์ก็ไม่พูดนะแค่บิสมิลลาห์นี่ก็ไม่เอ่ยนะเลี้วขนาดไหนอะอย่าได้บงคนบอกวอยากอยากอยู่ในช่วงนั้นไหอ่ะสัญญาวเกีมันชัดนะจะสนุกนะไม่สนุกนเลยย่าเลย อย่อย oh, ู่ช่วงนั้นมนีเสี่ยงเสียงกับการได้ฉายานี่เราเป็นคนเลที่สุดพูดนีมู่บ้านเราเนี่ชอบฟังเรื่องนี้บรรยายเรื่องสัญญาเกลมานี่ชอบมากเลยพูดสัญญาหัวข้อสัญญาเกลมาโอ้ชอบฟังมากเลยเป็นเรื่องสนุกนี่มันมันก็ฟังก็ดีนะแต่ต้องเรียนรู้แต่ได้ไม่ไม่ปรากฏตัวไงไม่ได้อยู่ในพวกที่จะเจอสัญญาวนเกมาเนี่ยมนไม่ดีหรอกเลยบอกว่า คนที่อะไรไม่ทาบาปนี่ก็คือแล้วก็โดยการที่แบบมีคุดมการ์เขาบอกก็คือมันที่เชบอกว่าไม่ทาสิ่งงานเพราะว่าเข า, าบอกว่ามันบาปเลยแต่ถ้าคนที่เขาทําบาปอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอะสํานึกว่าสิ่งนี้นมันเป็สิ่งที่ผิดแล้วเขาพยายามที่จะเลิกเนี่ยเปิดใจที่ผมพูดด้วยเปิดใจอยู่คนที่ยังทําบาปแต่ยังเชื่อมันมันบาปอันนี้คนยังเปิดใจอยู่ เปิดใจอยู่ดีกว่าคนที่ทําบาปแล้วก็อบาปตรงไหนมึงเห็นจะบาปเลย้วมึงจะทะําอ่ะมึงยุ่งอะไรอะ่ะอะไรแบบเนี้ยเนี้ยข้อแตกต่างแน่นอนคนไม่มีคมวามร่วมกันถึงแม้ว่าทําบาปนะก็ยังถือว่าเปิดใจยังถือว่าขอให้อัลลอฮฺกรุณาเนี่ยประทานให้ได้เขาสักอย่างหนึ่งเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงในกระพิตตานี่ก็เปลี่ยนได้เลยซึ่งมันเกิดขึ้นจริง ไม่รู้เลยนะครับว่าคนคนเขาจะเคยเล่ามาเรื่องคนที่คนที่ปไม่ไดนะ้อิ่มนะนี่เป็นเรื่องใหม่นะไม่ไม่กี่ปีเนี่ยฝันวันหนึ่งฝันมีมีคนมาบอกว่าไอ้คนคนนี้นะมึงจะไปทำบูมารใขึ้นมาพามันไปทำบูมารด้วย อ, ออกออกตังให้มันด้วยเขาไปนึกว่าฝันหนึ่งเงินหนึ่งเงินอนึ่ น, น, นนะไม้คือหนึ่งฝันเหมือนเหมือน คือเลขเบสเลยคนนี้นะไปไปเอาเนี่ยพาสปอร์ตแล้วก็ขอวีซ่าไปทําอมรไปกันเลยเขารู้จักคนนี้อยู่ปากซอ ย, ยนะี่น่ะเดินเขา้าเข้ามาทีก็ต้องเจอเขาเนี่ยแต่ค น, น, น ค, ค, ยย ค, คน น, น, น, นี้เนี่ยไม่เคยละหมาดเลยไม่เคยเห็นที่ไม่สิบเลยไม่เคยเคยนี่สามนี่ก็เหมือนเลยเขาคนี้เลยเขากบอกไม่ใช่แล้วมันต้อ ง, ม, องมันต้องเรื่องจริงแล้ะ เขาก็าไปไปหาไปไปบอกว่าเอ้ยนี่อินบสปอร์ได้เปล่าทําไมผมก็ไปทําอุ้มรอดด้วยกันจริงเหรอก็รีทําบัสปอร์แล้วก็ไปนน<อ>นนคนนี้ในซอยเนี่ยไม่มีฉายาคือไ ม, มไม่มีไม่มีอัตลักษณ์อะไรบอกว่าเขาเป็นคนเข่งศาสนาเป็นคนที่ชอบทําอะไบ้าเรื่องอะไไม่มีเลยแต่ถ้าไปทําอุ้มรหดแล้วเนี่ยทีมที่ก็ไปทําอุ้มรอดด้วยกันนี่นะเขาละหมามดมาสิทองรอมแล้วก็กลับกลับโรงแรม แต่คนมิเนี่ไม่กลับไปก็ไปตะวันไปทำอิบานาโน่ในหลังอิชานี่ก็่าจะกลับแล้วมีวันหนึ่งเขาก็กลับเล้ยงละหมัดอิชาแล้วก็กลับไอ้นี่ก็กไม่ไม่กลับเขาก็รอรอจนตีหนึ่งที่ไม่กลับก็เลยส่งตัวแทนไปดูดิเขาไปอยู่ไหนต้องบอกว่าไปหานะ่ะอ้าวตายตายในมัสยิดฮารอมในท่าสุจูด แล้วเราตัดเตี๋ยวพอตายแล้วนี่ก็จัดการทุกอย่างนี่ก็ถูกฝังที่มะกาด้วยคนละหมาดเป็นล้านคนเลยเขาก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจไปแจ้งภรรยาบอกว่านี่สามีเธอเนี่เสียชีวิตแล้วก็จริงเนาะแต่พูดเหมือนไม่ไม่เคยตกใจอ่ะไม่ตกใจเขาก็ไปแตกเออพอกูสามีตายแล้วก็เขา แต่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ตกใจอ่ะเขาก็คนที่เป็นอะไรสามีเธอเนี่ยอะไรเล่าให้ฟังหน่อยเขาบอกว่าสามีฉันเนี่ยไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําบุญอะไรเยอะไม่ได้ทำบ า, าอะไรมากมายแต่เขาจะชอบพูดว่าเดี๋ยวฉันจะไปทําอุโมงค์แล้วฉันจะตายที่มักกะคนที่พูดแบบนี้เนี่ยด้วยความมั่นใจเนี่ยเขาต้องมีอะไรระวังเขาก็แน่นอน ดังนั identify, are more, are gem, time, ้นบางคนเนี่อาจจะไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรบ่กเขาเป็นคนซอแร่เป็นคนดีเป็นคนวรอดหรือเป็นคนอะไรไม่มีภายนอกเนี่ยไม่มีแต่ระหว่างเขากับอัลลอฮ์เนี่ยอาจจะมีอะไรเยอะแยะบางทีคนทาบาปด้วยซ้าทำบาปเยอะไปซ้ําแต่ระหว่างเขากับอัลลอฮ์นี่มีอาจจะมีอะไรนี่เราไม่รู้เนี่ยแล้วก็บางคนเนี่ยเปิดเปิดใจกับอัลลอฮ์โดยที่เราไม่รู้เนี่ยระหว่างเขากับอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์กำลังให้อะไรเขาอยู่ กับอีกคนนึงละหมาดเกียวมุ่นเ ล, ลทุกคืนบริจาคทุกวันแต่คนนี้ทํำบาปนี่นะคือเขายอมรับในบาปแล้วเขาสำิมมึกเขามีความนอบนอ้อมทม่ทมตน ม, มีรู้สึกต่ําต้อยแต่คนนึงละหมาดทั้งคืนแต่ชอบอวดชอบชื่นชมตัวเองอ๋ออย่างต้องละหมาดต้องอย่างนี้สิถ้าจะเอาตัวอย่างของสำนึกนี่มาดูตรงนี้ก็คื อ, คอ ความดีที่เขามีเนี่ยมันมันสลายไปหมดเไงแล้วเราไม่รู้เนี่ยไอสิ่งที่มันเป็นบุญเนี่ยที่มันเป็นบุญแท่นี่ที่เอาะจเข้ามาใช้ได้ในวันเกียร์มาเนี่ยการันตีเราเนี่ยถึงบอกว่าถ้าเราได้ผูกพันกับอัลกุรอานเนี่ยมันจะช่วยเยอะเนีขาว่าเปิดใจเนี่ยบางทีในเราเปิดใจอย่างเดียวแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีเครื่องมือนี่นะมันก็มันก็ต้องรออาจจะต้องรอเวลา แต่การที่เราอ่านกุศลศึกษากุศอ่านตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือสําคัญในการเปิดใจถึงแม้ว่าเรากำลังทําบาปอยู่นะกุศอ่านจะช่วยให้เราลดบาปถึงแม้ว่าเรากําลังกำลังแย่ยกับกับความชั่วอะไรบางอย่างเนี่ยกุศอ่านจะช่วยให้เราได้ห่างไกลหรืออย่างน้อย น, นี่ทําด้วยความละอายทําด้วยความสํานึกมันก็เป็นเครื่องมือสําคัญในการในการปรับปรุงชีวิตในระยะยาวหรือค่อยๆปรับ กัมาคุมองพี่น้องทุกคนนะครับที่เดินทางมาโดยเฉพาะน้องขายพตุลฮักนะครับให้เดินทางกับด้วยความสวัสดิภาพด้วยความปลอดภัยอุสซลลอฮอลนบีมุฮัมมัดวะอลอซบซัลลัมอะลัยุมราะห์มตุลลอฮรกต